โอเคครับขอบคุณคุณพ่อยอดเป็นอย่างยิ่งนะครับเค okay, ที่กรุณาแนะนําประวัตินะครับกาบเรียนคุณครูสุนิสาชื่นเจริญสุขนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนลุงอรุณกาบเรียนท่านคุณแม่ดรพานิตกันตามาระแล้วก็ครูบาอาจารย์โรงเรียนลุงอรุณและคุณพ่อคุณแม่โรงเรียนลุงอรุณสวัสดีครับดีครับโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับต้องขอการเรียนว่า ในชีวิตเนี่ยไปบรรยายมาสารพัดที่แล้วก็นับเป็นโอกาสนะครับนับเป็นโอกาสอันดีของผมนะที่ได้มารับใช้ที่โรงเรียนลุงอรุณได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดเลยที่ว่าจะได้มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มารับใช้นะครับแล้วก็ดูจากนะครับคุณครูบาอาจารย์แล้วก็คุณพ่อคุณแม่เราอ่อนทั้งนั้นเลยอายุเฉลี่ยสักเท่าไหร่ครับ30 30นะครับ20อะไรก็ว่าไปนะครับ บอกตรงๆว่านะครับบอกตรงๆว่าผมศึกษานะครับโรงเรียนรุ่งอรุณมาพอสมควรนะครับแต่อาจจะไม่ได้รู้เยอะทั้งหมดแล้วก็ได้ทราบนะครับคอนเซปต์ของการที่เรียนที่นี่บอกตรงๆนะว่าเราจะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้มาเรียนที่นี่แล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยนะไม่ต้องออกจากที่นี่ไปถ้าอยู่ที่นี่ตลอดช่วงการละนานเทินเอานี่เรื่องจริงเมื่อกี้ที่นะครับ พ่อยอดคุณคุณยอดเนี่ยครับเป็นผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับได้กรุณาที่บอกทานู่นทำนี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นเรื่องที่เยอะแยะมากมายก่อนมารับใช้ท่านนี่ผมก็ประชุมที่สถาบันแห่งหนึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเวลานั่งประชุมอยู่เนี่ยท่านผู้ฟังมีความรู้สึกว่าจะมาทำอะไรตรงนี้เสียเวลาชีวิตมากคำว่าเสียชาติเกิดเนี่ยนะเสียชาติเกิดเนี่ยมีประเด็นซึ่งเราจะต้องคุยกันในวันนี้ ถ้าเกิดมาแล้วโมวแต่ทำแต่งานแต่ ба บแต่บคหานประชุมวาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่3วาระสุดท้ายปัญญาอ่อนแท้ๆแล้วประชุมเนี่ยควรจะประชุมเนี่ยอันนี้ขออนุญาตระบายไม่มีอะไรมากแค่ระบายนะประชุมเนี่ยสิบโมงยันบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งผมไม่สนเลยเมื่อกี้ออกเลยบ่ายโมงออกมาเลยเพราะว่าจะต้องมาที่นี่เป็นไงเป็นกันไม่ลาใครทั้งสิ้นไม่ถือว่าเสียมารยาทอะไรเพราะคุณเสียมารยาทกับฉันก่อนประชุมบ้าบอคหานเหมือนครั้งสุดท้ายในชีวิตนึกออกไหมคร เพราะฉะนั้นออกเลยแล้ววันนี้มารับใช้เนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยที่ที่กาเปี่ยนว่าจะมาบรรยายเรื่องสมดุลแห่งชีวิตใช่ไหมถ้าเกิดบรรยายเรื่องสมดุลยากสมดุลไม่ใช่เรื่องง่ายสมดุลเนี่ยบางคนบอกว่าทางสายกลางถูกไหมครับคุณพ่อคุณแม่เนาะเขาบอกว่าทางสายกลางก็แปลว่าไม่ต้องหนักเกินไปไม่ต้องเบาเกินไปกลางๆงซึ่งชาวพูดพูดแบบนี้ทุกคนเลยประทานโทษเกือบทุกคนซึ่งผิดไม่ใช่คําว่าทางสายกลางแปลว่าไม่การมาสุขันริการุยค และไม่อัตากีละเ <DB> มื่อถานุโยกไม่สุดตรงทั้งสองด้าน <X ioso> ทั้งทําร้ายตนเองด้วยแล้วก็เรื่องของกาลมาสุขมากเกินไปและยังจะต้องมีเรื่องของวิถีชีวิตซึ่งเป็นกลางๆและไม่ยินดีไม่ไมยินร้ายซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะเหนือภูมิปัญญาของหม่อมชันเกินไปนะครับก็เลยขออนุ ญ, ญาตที่จะมากับเรียนว่าเอาง่ awesome. ายๆว่ารุ่งอรุณต้นบุญของชีวิตต้นบุญแห่งชีวิตอย่างนี้ดีกว่าเนาะตรงเรียนท่านสบายสบายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านโชคดีมากเลยนะที่ท่านไดเอารูปบุตรหลานมาเรียนที่นี่ เอามาเรียนที่นี่ไม่ต้องไปเรียนโรงเรียนบ้าๆบอๆจริงๆนะเพราะอะไรรู้ไหมผมไม่ออกชื่อนะครับว่าผมเรียนจบโรงเรียนที่ไหนนียให้ท่านเดาดูเดาสิครับมาแต่เดี๋ยีเหรอคะผมไปพูดที่โรงเรียนสารพัดโรงเรียนเลยนะคุณครูคุณพ่อคุณแม่เขาเก็บค่าแปเจียก็มากมายมหาศาลเอาไม่ว่ากันไม่ว่ากันหลังจากนั้นเนี่ยเก็บค่าสารพัดสัตว์บกสัตว์น้ำอะไรอิ่วตรุ่หมดเลย แล้วเด็กจะต้องเรียนพิเศษที่นี่ผมชื่นใจเมื่อกี้สอบถามแล้วที่นี่ไม่มีเรียนพิเศษซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีของเด็กๆมากๆแล้วให้วัด IQ ได้เลยนะเด็กเว้นทั้งหลายเหล่านั้นถ้าที่เกิดที่เรียนโรงเรียนอื่นๆเนี่ยแล้วกับที่โรงเรียนรุ่งอรุณเนี่ยมาวัดได้เลยว่า g n h ของเด็กเป็นยังไงนะครับ GNS จริงๆแล้วมันเป็นคำกลางคือ cross national happiness คือดัชนีชีวัดความสุขความสุขของเด็กที่เรียนในเมืองนะครับเรียนโรงเรียนเหล่านั้นกับเรียนเรียนที่นี่เนี่ยบ้องบ้องบอกเลยนะว่าที่นี่โอเคมากกว่า และผมชื่นชมท่านนะครับที่เอาเรื่องของพุทธธรรมจิตแห่งพุทธะมาเป็นการสอนเพราะฉะนั้นใครที่มาอยู่ที่นี่ฟังนะใครที่มาทํางานที่นี่และใครที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญถ้าท่านไม่มีบุญจริงท่านจะไม่ได้ทํางานที่นี่และท่านจะไม่ได้ส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่เพราะฉะนั้นที่มองไปเนี่ยไม่เห็นคนเลยเห็นแต่เทพยดานางฟ้าทางนั้นเลยนะเนี่ยเดินออกไปเนี่ยนะเดินออกไปเนี่ยชดาวิ่งมาสวมเลยนะจะบอกให้นะ อ่าบอกเลยนะให้กําลังใจท่านแต่แต่ yes but แต่ไม่ว่าจะทํางานที่ไหนจะดีเลิศประเสริฐขนาดไหนขอประธานโทษแม้กระทั่งที่ทํางานที่สุเหร่าทางานที่โบสถ์หรือทํางานที่วัดก็ล้วนแล้วแต่มีปัญหาจริงไหมท่านเมื่อไร่ที่นั่นมีที่ไหนมีคนที่นั่นจะต้องมีปัญหาทํางานกี่คนขึ้นไปเริ่มมีปัญหาครับท่านผู้ฟังไม่จริงคนเดียวก็เริ่มแล้วค่ะ <laughs> จริงไหมทะลาะกับตัวเอง ถามคุณครูถามคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าให้ย้อนเวลาหาอาดีตได้สมมติให้ย้อนได้นะครับท่านจะย้อนไหมย้อนไหมนึกดีๆย้อนย้อนทางนั้นแหละมีประมาณ10ซ์ที่ไม่ย้อนคืออดีตเลิศเลอเพอร์เฟกหรือไม่สนใจแต่สมมติย้อนได้อยากจะกลับไปดีกับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นอยากไปเรียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้นอยากจะไปทําอะไรให้มันโอเคมากขึ้นใช่ไหมถ้าย้อนกลับไปได้กูไม่แต่งงานแน่นอนเ <c oughs> อาเป็นบางท่านก็ว่าแบบนี้เนอะอ่ะาก็แล้วแต่ไป แต่ย้อนได้ไหมครับย้อนไม่ได้ในเมื่อย้อนไม่ได้ท่านผู้ฟังสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าจึงมีอาวุธรับให้เราสุดยอดมากท่านมีอาวุธหลายอย่างที่ให้เรามาใช้กับโลกดาวเคราะห์น้อยดวงนี้นั่นก็คือการอยู่กับปัจจุบัน เชื่อไหมท่านผู้ฟังพอพูดคำนี้ปั๊บก็งงสับสนโอดมันผมก็ไม่ค่อยเข้าใจจนกระทั่งไปปฏิบัติธรรมอยู่บ้างแล้วก็เรียนกับคุณแม่พาณิชย์กันตมระด้วยก็เลยเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่วายโอก็คืออัดสา้นและปัดสั้นคือลมหายใจแต่ผู้พูดนี่ยังทําไม่ได้ <c oughs> ถ้าผู้ฟังทราบไหมว่าการดูลมหายใจกี่นาทีปั๊บที่อยู่กับลมหายใจได้โดยไม่ส่งจิตแ ส, สแลงออกนอกตัว <c oughs> กี่นาทีทําได้ พระท่านบอกโยมห้านาทีเราบอกโหประธานโทษทำไมดูถูกเราอย่างนี้วะห้านาทีขอโทษหนึ่งนาทียังไม่ถึงเลยใช่ไหมไ ป, ไปนู่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตดวงนี้คือซิมการ์ดท่านผู้ฟังร่างกายคือมือถือส่วนจิตใจคือซิมการ์ดมือถือเครื่องนี้จะต้องแตกแหกหักสลายทำลายขันในวันข้างหน้าแน่นอนจะเมื่อไรก็ไม่ทราบ พอเห็นหน้ากันเป็นชาสายตายสายอยู่สุขสบายบายมวยบายยังเรื่อนเริงกายเย็นดับชีพนายเย็นอยู่หยอกรุกดวยข้ามมวยดับศูนย์สรุปว่าตายแน่แต่ไม่รู้ตอนไหนใช่ไหมนั่งนั่งอยู่ตายใครจะไปรู้ได้แต่วันนี้ยังอาจารย์รอดก่อนวันนี้รอดไปก่อนทีนี้พอไปแล้วเนี่ยจิตดวงนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ความจริงชาวพุทธมีอะไรให้เรียนรู้เยอะแต่ปรากฏว่าไงรู้ไหมครับบางครั้งขอประธานโทษเราไปเสียเวลากับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันดูเหมือนกับมีสาระแต่ไม่มีสาระเลยเช่นเรื่องของอสซอร์พิษตัวแสบคือยเงินทองจริงไหมผมก็ชอบไม่ใช่ไม่ชอบแต่มากเกินไปเนี่ยนะมันมากจนกระทั่งกลายเป็นว่าเกิดความโลภเกิดตันหา เมื่อไหร่ที่มีตันหาและมีปฏิคะชาตินี้ก็เกิดมาอีกแหละชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะธุบรรณอุปายะก็ว่ากันไปใช่ไหมเรื่องของปฏิจะสมุปปบาทเพราะฉะนั้นต้องเรียนเลยนะครับเอาแค่ง่า ย, ายๆเวอวันนี้เนี่ยนะธรรมะง่ายๆกับเรียนท่านผู้ฟังที่เครารพคือสอย่างสติตัวสัมปชัญญะตัวหนึ่งและอุเบกขาจงมีสติสัมปชัญญะและอุเบกขาในการทุกเมื่อในการทุกเมื่อเท่านั้นเอง คือไม่มีปฏิกะความขัดเคืองมันใส่ไม่ชอบเกลียดและปรุงแต่งกับอีกตัวหนึ่งก็คือไม่โลภโมโทสันไม่ปรุงว่าชอบว้ายหอมจังเลยนี่ก็ปรุงไปเรียบร้อยแล้วสังขารจึงไม่ใช่ร่างกายแต่สังขารคือนางตัวแสบที่คือการปรุงแต่งใช่ไหมครับมีธาตุดินน้ำลมไฟประชุมกันพร้อมกันอีคนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังพูดได้ดีนักเฉียวแต่ตอนปฏิบัติได้แต้หนึ่งอ่ะต้องเรียนท่านครับ ไปบรรยายนี่นะผมชอบผมชอบเรียนตรงนี้แล้วก็ถือศีลพอสมควรผมก็เลยได้เรียนเรื่องตรงนี้แต่มันกลายเป็นอะไรครับมันกลายเป็นว่าความรู้ที่เกิดจากการฟังเราเรียกว่าอะไรครั บ, ส, <น>บสุตมยะปัญญาใช่ไหมครั บ, <น>บก็เถอดไปอีกหน่อยหนึ่งดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ปัญญาที่ดีก็คือจินตาหรือจินตะมยะปัญญาการพิจารณาไตรตรองแล้วก็ไข้ครวนสองตัวนี้เนี่ยชอบนะักอ่านหนังสือปั๊บไว้อ่านแป๊บเดียวปั๊บหยิบมาได้เลยนี่คือความสามารถพิเศษไม่ได้เก่งกาศสามารถ ตอนเกิดนี่เดินไปแจ้งเกิดด้วยตัวเองนะคะัเก่งมากว่าไป <c oughs> แต่ที่สําคัญที่สุดเลยไม่ได้เรื่องได้ดาวสองตัวนี้ถ้าไม่ใช่อะไรครับผมไม่ใช่ภาวนามายะปัญญาไม่ใช่ของจริงอุปมาเหมือนท่านไปร้านอาหารและเอาเมนูมาปับนั่งดูตายแล้วมีผัดกะเพาตายแล้วมีไข่ย่อมะกะเพรากรอบตายแล้วมีแกงจืดมีแกงส้มมีแกงเหลืองเหล่านี้คือเหล่านี้คือสุ ต, ตะมยะปัญญาแค่สุตตาแค่ได้ดู ได้ยินได้ฟังใช่ไหมครับแต่เห็นข้างๆโต๊ะตายแล้วก็สั่งขาหมูมันโถมาแล้วเขาสั่งโต๊จีมาแล้วมีติ่มซำแล้วมีเป็ดปักกิ่งแล้วเหล่านั้นคือเรื่องของนั่นก็คือจินตามัยปัญญาเห็นแล้วครับอันนี้เห็นแล้วพิจารณาไตรตรองน่าอร่อยจังเลยแต่ไม่ได้เสพสัมผัสรสอาหารเหล่านั้นเลยใช่หรือไม่กาบเรียเลยนะครับนี่พลาดมานานแล้วนะท่านต้องไม่พลาดเหมือนผมไม่ได้ปฏิบัติเลยนี่อายุมากแล้วนะพอสมควรไม่ต้องมานั่งเดาเยอะอยู่ให้ทายสิครับสอนหนังสือมากี่ปีให้ทายทายดีๆ การุณาอยากทายเอาแต่ใจตัวเองอยี่พี่ครับสอนปริยตรีสอนปริยโทสอนปริยเอกสอนสามปริยาโห <20. S 1> oh, คุณครูยี่สิบเลยเหรอครับรยี่สตกลงยังไงกันแน่ใช่ไหมครับสอนมา26ปีสอนมานานพอสมควรรักในอาชีพของการเป็นครู ชอบมากสอนสารพัดเลยจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรกรเทพหอกันค้าธุรกิจบันดิติปุมราชพัฒราชมงคลทุกอย่างดีหมดเลยแต่บอกตรงๆนะไม่ประทับใจเลยถ้าเกิดมีโอกาสได้สอนที่ลุงอลุณจริงๆทางสถาบันอาสมศินป์ยังขาดอาจารย์ไหมคะ <laughs> บอกตรงๆนะถ้าเป็นไปได้นะไม่อยากแล้วตรงจริงๆเนี่ยนะครับความจริงผมเป็นรอสอแหละรอสอจากเมืองนอกแต่เมืองไทยเนี่ยไม่รับนึกออกไหมครับเรื่องเยอะที่สุดคืออีเมืองไทย การการไงการการกันการอย่างงู้น plan, อย่างนี้ใช่ไหมกว่าจะเป็นผศกว่าจะเป็นรศ ส, อสคนบางคนไม่ต้องเป็นอะไรเลยเป็นคุณครูธรรมดาแหละแต่ความรู้ความสามารถสติปัญญาเกินกว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์งงๆนี่มีไหมครับไม่ต้องมองมาทางนี้นะคะับไม่ใช่มองมาแล้วตอบมองมาทางอื่นแล้วตอบได้เพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่าปัญญามาถึงที้ตัวหนึ่งคือปัญญาปัญญามีง่า ย, ายๆก็คือสองแบบคือปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรม ผมเห็นเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยพูดตรงๆตอนนี้เนี่ยเ ข, เขาจะมีการลงนลงวันนี้ใช่ไหมครับเถึงสินู่นนี่อักรว่ากันไปรวยขนาดไหนดูอายุซีดูอายุซีรวยขนาดไหนแล้วเอาอะไรไปได้ไหมแล้วพอตายไปปั๊บแล้วยมมาพา พ, าพาบาลเนี่ยนะครับนะเขาไม่ถามนะว่าคุณเป็นเจ้าสัวไหมเป็นตําแหน่งอะไรเป็นนายกหรือเปล่าเป็นคณะบดีหรือเปล่าเขาจะไม่ถามอะไรทั้งสิ้นแต่เขาก็จะมีก่อประทานโทษก็จะมีบัญชี นะจำได้ไหมครับตอนเราเด็กๆ ด, ดูกันเนาะคุณครูเนาะบัญชีหนังสุ น, นักกับบัญชีแผ่นทองคุณทําอะไรไว้โกหกที่โดนตบปากตรงนั้นอีกต่างหากนั่นคุณทําอะไรไว้มันเขาจะออกมาเจ๊เจ๊เจ๊เออยนี่ผูกขาดเหรอออยนี่กินบ้านกินเมืองเหรอออยนี่เนี่ยชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือกับดักชีวิตท่านผู้ฟังกับดักชีวิตก็คือราบยศสรรเสริญ เ, เ, เงินทองใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องให้ระวังเอาแต่พอสมควรเอาความสุขดีกว่าแล้วยิ่งมีชื่อเสียง การมีชื่อเสียงไปไหนก็ลำบากทำอะไรก็ลำบากอยู่ในสายตานน่นนี่เพราะฉะนั้นวันนี้เลยอยากมาบอกว่าสบายสบายดีกว่าสบายสบายอยู่ที่นี่ <c oughs> และคำว่ารุ่งอรุณเนี่ยนะครับรุ่งอรุณเนี่ยผมชอบคานี้มากเลยนะรุ่งหมายถึงอะไรครับรุง่งรุ่งก็คือการขึ้นมารุ่งเรืองว่าไปอรุณอรุณนครับอรุณก็หมายถึงตอนเช้าใช่ไหม ลุงอรุณก็คือหมายถึงการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมชอบผมไปปฏิบัติธรรมกับท่านโกเอ็นก้ามาและปรากฏได้คำหนึ่งมาสอดคล้องกับการเรียนการสอนของเรียนลุงอรุณเลยมีคำหนึ่งที่ชอบมากคือคําว่า start again start again ผมนี่นะไม่เคยปฏิบัติเลยนะท่านได้แต่บรรยายป่าวปๆ า, ป า, ป า, ปาไปใช่ไหมนั่งก็ไม่นั่งอะไรนู่นก็ไม่ไทาไอ้นี่ก็ไม่ทำจงกรมก็ไม่ทาอะไรไม่ได้ไม่ได้เรื่องใดลาวแต่ไปกดไปปฏิบัติ10วันเต็มๆ สิบวันเต็มเต็มบอกตรงๆปวดมากท่านบอกในช่วงโมงอธิษฐานในช่วงโมงอธิษฐานบารมีห้ามเอาขาออกเราก็เลยเอานี่เลยนะเอาหมอนเอาใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่ใส่เตรียมพร้อมอย่างทีปรากฏใส่ซะสูงเลือดไม่เดินหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมเลยคราวนี้สักพักไม่ไหวแล้วขอประทานโทษสมเด็จพระพุทธ ม, มาร์ชเจ้าเอาออกเอาออกเอาขาออก ตอนกลางคืนเขาไปถามคำถามถามปัญหาธรรมะหมอ่มอมหม่อมชั้นเดินคลานก็ไปถามอาจารย์อาจารย์ผมเอาขาออกเนี่ยบาปไหมแต่มีอยู่วันหนึ่ง น, น, นะครับพอนั่งๆ่งไปปป๊บเงียบมันวิง่งเงียบไปเลยเงียบสนิทไปเลยพระเจ้าหรือว่าเราบรรลุปรากฏไม่มีอะไระไฟดับนี่อหรอไหมคะทั้งแอร์ทั้งไฟดับหมดเลยวันนั้นเชื่อมั่นเลยนะว่าคนในห้องนั้นต้องคิดว่าตัวเองบรรลุอย่างแน่นอนเพราะมันเงียบไปเลยไนงะว่าไป วันนี้ได้กาวเปียนท่านครับในชีวิตจะเป็นยังไงก็แต่ Start Again Start Again ลุงอรุณก็คือมี similar to เนาะเป็นความหมายที่คล้ายๆกัำว่า Start Again พระอาทิตย์ให้กับเราให้อะไรกับเรามากถ้านผู้ฟังดูภาพนี้ครับภาพนี้เป็นภาพพัฒิขึ้นหรือพาพทีตกตกหรือขึ้นครับเห็นไหมเห็นหมนี่ไงในโลกนี้มุมมองคนไม่เหมือนกันใช่ไหฝั่งนี้อาจจะบอกขึ้นฝั่งนี้อาจจะบอกตกใช่ม ตอบไม่ได้แล้วเถียงกันไม่มีใครแพ้ใครชนะยกเว้นความเป็นจริงที่เขาขึ้นหรือตกเท่านั้นเองยกเว้นความเป็นจริงเท่านั้นพระพุทธศาสนาสอนข้อเดียวครับคือความเป็นจริงคือความเป็นจริงดูไปดูตรงนี้ก็ดูความเป็นจริงดูเวทนาก็คือดูความเป็นจริงเพราะฉะนั้นภาพนี้ให้ความรู้ให้ความรู้สึกด้วยกับเราหลายอย่างมากบางคนมองว่าตกตกก็ไม่ผิดครับคนคนนั้นอาจจะมีฟีลลิ่งแบบหนึง่ง ส่วนยังบางคนบอกไม่พรอาทิตย์ขึ้นก็แล้วแต่และพระอาทิตย์ทำหน้าที่คือธรรมะตลอดเวลาประเทศไทยไม่ชอบดวงอาทิตย์เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าร so, ้อนนะครับ ah ร้อนมากนะครับคนที่แต่อยู่ต่างประเทศนะครับที่คลอดลูกใหม่สามารถมาอยู่ไฟที่เมืองไทยได้เลยเดินเฉยๆเนี่ยก็อยู่ไฟได้เลยใช่ไหมครับโอเคเลยประเทศนี้สุดยอดมากประเทศนี้ไม่ชอบพระอาทิตย์ ใช่ไหมเคยมีในเฟซบุ๊กเขียนด้วยนะขอประทานโทษนะมีเขียนรูปพระาทิตย์แล้วบอกว่าพระาทิตย์แดกน้ําแข็งใสไหมเนี่ยนะขประธานโทษแตมีใน Facebook นะใน Facebook ขอประทานโทษโอ้โหปากจัดจริงๆประเทศไทยไม่ชอบพระทิตย์แต่ชอบหรือไม่ชอบต้องขึ้นถูกไหมครับท่านและก็ทําหน้าที่ของท่านแต่เกาหลีใต้นะครับหนาวกระนําแตกชอบพระทิตย์มากชอบยังไงท่านก็ขึ้นตามเวลาของท่าน ใครจะชอบหรือชังอะไรก็แล้วแต่พระชิดก็ทำหน้าที่ของเขาไปนี่ไงก็เลยเอามากาบเรียนว่าคำว่ารุ่งอรุณเป็นคำที่สวยงามเป็นคำว่าเป็นคาที่ไพเราะเป็นคำที่มีความหมายถ้าท่านมีอะไรไม่สบายใจมีอะไรที่ผิดพ้องหมองใจทำงานเป็นทีมบ้างไม่เป็นทีมบ้างเพราะฉะนั้น Start Again เริ่มต้นได้ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างสตาร์เกครอบครัวไม่ดีสมมติสมมติให้ฟังล่มแหกแตกสลาย Start Again ไม่ได้แปลว่าไปเริ่มหาใหม่นะคะแต่หมายความว่าชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาจริงหรือไม่ start again ในการทํางานเป็นทีมคํานี้ผมชอบนะครับพราะทุกเช้าท่านอาจารย์โกอินกา้าท่านก็จะบอกว่า start again พูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับพูดอย่างเงี้ยตลอดเวลาซึ่งการเรียนนะครับทุกศาสนาเข้าได้หมดเลยทุกศาสนาดีหมดเลยไ ม, ม่ว่าจะเป็นพุทธคิดอิสลามพามปดูของจิ้งจิกเต๋าชินโตเพียงแต่ว่าแก่นแท้จริงๆก็คือทุกศาสนาต้องการให้คนพ้นทุกข์ใช่หรือไม่ ความทุกข์เป็นสากลเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ความทุกข์ก็เป็นสากลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเชื่อขออนุญาตขอพอดีมีพี่น้องชาวมุสลิมด้วยนะครับซึ่งผมก็กรบนัรถือนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในทางพุทธปั๊บแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจเข้าใจในสัจธรรมสัจธรรมและน้อมนํามาปฏิบัติสุดยอดเลยสุดตะดีครับแต่ต้องกระเถิบจินตะดีครับแต่ต้องกระเถิบอย่าเป็นแบบผมแค่ฟังมาแค่อ่านมาแล้วก็มาพูดใช่ไหม แต่ถ้าเกิดปฏิบัติปั๊บเนี่ยมันจะแบบว่าเอลไลเชนคือมันจะออกมาจากใจและเบ่งบานและมีความสุขจริงๆกับเรียนท่านนะครับนั่นก็คือภาวนามายะปัญญานะครับแล้วดูภาพนี้ต่อครับท่านที่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ด้วยท่านเป็นแบบนี้ไหมตอนเช้า <c oughs> <c oughs> คุณครูทั้งอนุบาลประถมมัธยมเป็นไหมตื่นเช้ามาว้าวมีความสุขจังเลยวันนี้ให้คำหนึ่ง วันนี้ให้คำหนึ่งความสุขเวลาไปบรรยายตอนนี้บรรยายเยอะมากผมจะใช้คำว่าว้าวผมเป็นอาจารย์ประจำให้กับบริษัทเซ็นทรัลวัดสันด้วยเขาก็ใช้คำว่าว้าวเลยนะ w o w เนี่ยนะครับว้าวว้าวแปลว่า positive จริง k i n g ว้าวแปลว่าเลิศมีความสุขจังเลยท่านเป็นแบบนี้ไหมตื่นช้ามาว้าวอยากมาทำงานนึกถึงเด็กๆนึกถึงคุณครูนึกถึงผู้ปกครองเป็นไหมที่หัวเราะนี่รู้ใจดะ ผมว่าที่นี่น่าจะว้าวนะแต่เป็นบางที่ตื่นเช้ามาอือแหละทรมานทรเวนอยู่หัวหน้า ง, งานนี่บางที่สวนที่อื่นนะครับหัวหน้า ง, งานก็ยีนี่ปากไวกว่าแสงด่ากูตลอดเวลายี่เจ้ากรรมนายเวนใช่ไหมอาจารย์คะหนูเบื่อแล้วเกินคะ่ะยี่หัวหน้า ง, งานหนูนะคะผีเข้าผีออกบอกบุญของคุณผีเข้าแล้วยังออกถูกไหมคะเอาไม้สิงเลยเนี่ยเอาไหมเหมือนบางที่สิงเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะสบายๆนะครับคุณแม่หัวเราะให้เต็มที่นะคะที่นี่อย่างดีนะครับยังหัวเราะเฮฮาบางที่ไปบัญญายนะบางคนนะขาไม่ขำนั่งเนี้ยถามเป็นอะไรม้ามชื้นเหรอคะหรือว่าเป็นโรคพากินสารก็แคกแคก็เนี้ยขำไปสบายๆไม่มีให้มีความสุขนะครับเนาะอือบางคนบอกธรรมะธรรมะขาขนาดนี้ได้เหรอธรรมะขาได้ไหม ได้ไม่มีเลยที่บอกว่าจะต้องมานั่งแซลนั่งซึมไม่มีความสุขเป็นความผ่องใสของจิตอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าขำก็รู้ว่าขำนึกออกไหมครับสนุกก็รู้ว่าสนุกมองดูก็รู้ว่ามองดูรู้ตลอดอันนี้ปากดียังทําไม่ได้ช่วยทำหน่อยนะครับรู้อยู่ตลอดเวลานะครับ beautiful world หมายถึงอะไรครับคุณครูครับคุณพ่อคุณแม่ครับมีความสุขเนอะโลกสวยงามคนที่ไหนนะอัี้ตอนี้ผมจะเช็คนะใครที่ในชีวิตคิดบวกมากกว่าลบ สูงสุดคือมองโลกตามความเป็นจริงแต่ถ้าปู่ตูชนนะครับเอาง่ายๆก่อนเอาบวกเอาลบก่อนนะใครที่เป็นคนคิดบวกคิดบวกทุกเรื่องเลยสบายรถติดว้าวปกติรถติดปั๊บคุณแม่รู้สึกยังไงก่อนคุณแม่เป็นไงก่อนมันไส้โกรธและด่าคนขับรถปากจัดทุกคนใช่หรือไม่แล้วก็บองโลกข้างๆมึงจะไปไหนกันนักหนาเนี่ยข้างๆบอกอ่าแล้วมึงล่ะฮะอ่าพอกันถนนเดียวกันเลยใช่หรือไม่อ่าเพราะฉะนั้นเรียนกันนะ ใครเห็นอะไรเป็นอย่างนี้ไหมเป็นแบบนี้ไหมครับเห็นใครปั๊บอยากพูดอยากคุยอยากสวัสดีอยากทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสแต่บางคนเป็นแบบนี้ครับพอเห็นใครปั๊บไม่ชอบมันใส่เกลียดไปก่อนโกรธไปก่อนมันใส่ไปก่อนเลยเป็นไหมครับเอาผมบอกผมเป็นผมสอนหนังสือเนี่ยผมจะไม่ชอบรุกสิทธิ์ที่แต่งตัวขอประทานโทษแรดผมมันชอบเลยค่ะแต่งตัวเหมือนจะบอกผู้ชายว่าพร้อมแล้วมีนะอาจารย์ สั้นมากถามเธอทําไปเพื่ออะไรเนี่ยขอประทานโทษบางทีเป็นลูกเป็นเพื่อนกับลูกศิษย์ใช่ไหมเธอสั้นนั่งดีๆยายแอนนั่งดีๆเดี๋ยวหนูก็วิ่งเข้าไปหรอกมันว่าไงรู้ไหมไม่เป็นไรค่ะข้างในมีแมวนี่หลายมากขอประทานโทษอยากรูว่า เ, เรื่องตึงๆคือเป็นเพื่อนกับลูกศิษย์ไงเพราะฉะนั้นผมจะไม่ชอบความไม่สุภาพจะเป็นครูที่อาจจะอายุไม่ได้มากแต่ว่าผมหัวโบราณ โบราณเนี่ยเชื่อโบราณไม่บานบุรีหรอกเพราะว่าเขาเชื่อสอนในสิ่งที่ถูกต้องใช่หรือไม่แต่ผมจะเป็นคนที่มันไส้คนก็ง่ายไม่ชอบคนก็ง่ายชอบคนเรียบร้อยลูกศิษย์สู บ, สบุรีนี่เกลียดที่สุดเพราะคุณพ่อเสียด้วยบุรีอีโรงงานยาสูบเชิญบรรยายปั๊บไม่ไปเลยเขาถามว่าอาจารย์ไม่ว่างเลยครับบอกใช่เล็บขบ <S <S ไม่จะเป็นต้องไปกาปรียมท่านนะนักพูดไม่ใช่อวดแพงไหมแพงคุณแม่พานิดอาจารย์สุรวง อ า, าอาจารย์สุขุมอาจารย์เสรีเวลาไปบรรยายแพงมากต้องการเรียนวันละแสนนะวันละ 80,000 ืแล้วแต่แต่ละที่ชั่วโมง1นึ่งเจ0 0ห0 0 0 0 0ปด0 0 0่น0 0 0หทุกคำพูดเป็นเงินเป็นทองจริงๆผมฉันก็เหมือนกันไม่คิดว่าตัวเองจะได้แพงได้ขนาดนี้สมัยก่อน200ร้ไปซื้อแหนมมากินเล่นไม่นึกเลยวันนี้จะแพงซะขนาดนี้ทุกคพูดเป็นเงินเป็นทองจริงๆฮัลโหลเนี่ยพันแเข้าใจไหม ค, ค, คุณแม่ สามรอยนะคะอ่าแต่กาเปลียนท่านครับผมตามดําเนินตามคุณแม่ผาณิธิว่าบริษัทอะไรที่บ้าบ้าบาบาอยู่ในมิจฉาวณิช า, า, ชาไม่เหยียบไปค้าคนค้าโสเพณีค่ายาเบื่อยาเมยาเมยาพิษยาบาค้าสุราเมรให้เกิดความมึนเมาค่าอุ้งสงครามให้เกิดการประหันประหันค่าสัตว์ให้เขานขําไปฆ่าหรือฆ่าเองไม่ไปเลยถามว่าเงินอยากได้ไหมใครๆก็อยากได้แต่ได้เกินมาแล้วศกกระปกจะได้มาทําอะไรเคยพลาดอยู่ครั้งเดียว สองครั้งตอนนั้นทํารายการดันไปขอสปอนเซอร์เบียผมได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับคุณครูครับได้มา6 0,000 บาทคุย14นาทีได้6 0,000 ่นเยอะไหมเพราะบองฉันปากไวกว่าแสงอยู่แล้วบ๊บ๊บ๊วยขายได้ <laughs> ได้คอมมิชชั่นมาห0 0 0ื่นทำบุญไปหมดเลยสามหมอีกคนนึงทาแหวนเพชรหายไปเลยสาม0 0ื่นเอาไปเล ย, 30, 000, เเลยจบไปเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับไปบรรยายลุงขึ้นจะไปบรรยายพอเช็คปั๊บตายแล้วไอ้นี่ค้าปลาขายปลาให้กับแบงค์โคลปลาสดๆเสียใจมากทําไงดีก็เลยไปบรรยายนู่นนี่นั่นไป บรรยายเรื่องศีเรื่องทำไปอะไรไปแล้วก็ได้ค่าบรรยายมาทำบุญหมดเลยตั้งแต่วันนั้นมาสกรีนหล้านชายที่เป็นเลขขายเป็นผู้จัดการส่วนตัวเขาจะรู้เลยว่าผมฉันจะไม่รับอะไรที่มันอย่างนี้เงินใครๆก็อยากได้แต่ถ้าเกิดได้มารัศกรบกไม่จําเป็นเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นถามว่าบรรยายฟรีไปไหมไปไปเลยเพราะอะไรครับเงินสําคัญแต่ที่สําคัญกว่าสําคัญกว่าพวกกระซับคืออาริยทรัพย์ใช่หรือไม่เงินปากผี5บาทที่ยั ง, งแงออกมาเลยใช่ไหมส า, หารอะไรอบุญกุศลไปไม่ดีกว่าเหรือใช่ไหม แล้ววันนี้ผมมาบรรยายให้กับเทวดานางฟ้าฟังใช่ไหมครับสาธุสาธุนี่อย่าลาออกนะคะสาธุลาออกวันลุ่งขึ้ น, นไม่ได้นะต้องมีความสุขใครที่ไหนก็แล้วแต่อยู่องค์กรใดแล้วมีความสุขแล้วมีเจ้านายดีเพื่อนร่วมงานดีแต่แน่นอนครับเล่าให้ฟันฟังยังไงก็ต้องมีปัญหาบ้างใช่ไหมอาจารย์แล้วผู้หญิงกับผู้ชายใครทํางานเก่งกว่ากันอ่าใช่ผู้ชายเงียบมีอยู่แค่นั่นเอง วันนี้มีแค่เกาะสมุยอยู่ตรงนั้นเองแค่นั้นเองวันนี้เราแพ้เขาวันนี้เราแพ้เขาถามต่อครับแล้วพูดทํางานกับผู้หญิงกับทำงานกับผู้ชายทํางานกับใครปวดหัวมากกว่ากัน อ, อตอบเองนะคะอันนี้เพราะอะไรครับท่านเพราะอะไรครับ yeah, yeah, yeah, yeah. จริงๆแล้วผมใช้ความว่ารอบคอบ <laughs> คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรอบคอบคุณแม่เนอะรอบคอบถูกไหมครับสุภาพสตรีก็จะเก็บรายละเอียดแต่เก็บรายละเอียดบางอย่างถ้าเก็บแล้ววางได้ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกิดเก็บเสร็จแล้วมาเป็นการเพราะพันธุ์ในใจมันไส้ทําไมต้องว่าเรามากขนาดนี้ทําไมจะต้องพูดจากับเราในลักษณะแบบนี้ทําไมเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นทําไมไม่ช่วยกันทําไมเป็นลูกอีอู้หลานอีเกียงทําไมไม่ช่วยกันทําไมสารพัดมีคําว่า y y y y y y ทำไมใช่ไหมเออแล้วพอมีคําว่า y ก็เลยงอนกันคุณพ่อคุณแ ม, คณแม่คุณแม่เคยงอนคุณพ่อไหมครับแล้วไม่พูดกันในบ้านงอนถามอะไรก็ไม่ตอบ งอนลึกลับนึกออกไหมครต้องเอารูปถ่ายไปถามล่างส่งอินิชนงอนเรื่องอะไรช่วยดูหน่อย <laughs> เกิดตอนช่วงผีตากพระอ้อมหรือเปล่าอะไรเงี้ย <laughs> มันก็เลยมีปัญหากัน <laughs> เพราะฉะนั้นต้องเรียนนะครับการสื่อสารสําคัญนักไทยในทางโลกนะการสื่อสารสําคัญที่สุดทั้งในบ้านและที่โรงเรียนอมาที่โรงเรียนก่อนที่โรงเรียนต้องรักกันทั้งครูประถมขออนุญาต น, นะครับคุณครูอนุบาลในทีมเดียวกันต้องรักกันคุณครูมีทั้งหมด1้อยร้ท่านโดยประมาณ ใช่ไหมครับคุณครูประถมก็รักกันแล้วกับคุณครูมัธยมก็รักกันสถาบันอาสมศินเราก็รักกันมีอะไรผิดพ้องมองใจเป็นปกติแล้วลบเร็วๆและอย่ามีฟอร์มให้ฟอร์มเป็นเรื่องของคอสอชอไปเข้าใจไหมคะคือทหารนี่ไม่ได้ไม่ได้ชอบคอสอชอนะรักเออโอเคไหมคะไม่ได้ชอบแต่รักแล้วก็เทียจบไปเพราะฉะนั้นเรื่องฟอร์มเป็นเรื่องของทหารตำรวจไปรปภไปเราอย่ามีฟอร์ม เราอย่ามีฟอร์มโกรธใครไม่ชอบใครเคลียร์กันถ้าเก็บไว้แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณครูมีข้อดีสามสิเอาใหม่ข้อดีเจ็ดสิข้อไม่ดีสาแล้วโอภาพ์ต้องทํำยังไงกับคุณครูถ้าผมได้รับเก็บมาเป็นมาเป็นคุณครูสอนปถมที่นี่สมมุติให้ฟังแล้วก็มีเพื่อนคุณครูใช่ไหมครับครูท่านนี้มีข้อดีเจสิบข้อไม่ดีสาสิบผมต้องทําอย่างไรตอบครับเอาสาสิบที่ไม่ดีไปขยายต่อต่อกัน ไม่เลยผมก็คบแต่เจ็ดสิบและสามสิบไม่ต้องไปยุ่งจบข่าวกันไปโอพาษมีข้อเลวหกสิบแล้วข้อดีสี่ิอาจารย์ไม่ต้องไปยุ่งกับหกสิบของผมมายุ่งกับสี่สิบของผมจบไปสั่งก๋วยเตี๋ยวมาชามหนึ่งเส้นเล็กแห้งไม่ใส่ตังไช่แล้วเขาใส่ตังไช่มาให้แล้วคุณแม่ทํำยังไงดีมากครับหนึ่งคือเขี่ยออกรับประทานต่อไปขอขอไม่ทานงอนไม่ทานเลยขอเดินถือชามเดินไปตบคนขาย มึงอย่าอยู่เป็นเส้นน้ำแผ่นดินเลยผู้บอกไม่ใส่หิวจะตาอยู่แล้วใส่มาหาเราเจ๊กมึงเลยยังไงเนี่ยคุณแม่คุณครูคุณพ่อนึกดีๆ3มข้อเนี้ยนึกดีๆทำข้อไหนถ้าเขียวออกนี่น่ารักที่สุดจริงนะครับถ้าใครตอบว่าเขียวออกแปลว่าจะมองข้ามความไม่ดีของคนอื่นไปแล้วมองแต่ข้อดีทำได้อย่างนั้นเลยนะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆผมเห็นข้ออะไรรู้ไหมสองงอน งอนเลยก็คบกันมาตั้งนานพอผิดหูนิดเดียวหรือนิดเดียวแล้วก็โกรธไม่พูดกันบางคนไม่พูดกับคนในบ้านขอโทษพูดดีกับคนใกล้ตัวโทษครับพูดดีกับคนใกล้ตัวแต่พูดชั่วๆกับคนใกล้ชิดไม่เกรงใจไม่อะไรพี่ชายน้องชายน้องสาวพี่สาวใช่ไหมครับแล้วก็งอนกันไปอะไรกันไปเป็นปี <h ums> นะจนกระทั่งเขาตายไปแล้วก็แหกปากร้องไห้แล้วก็ไปทําไมพี่ต้องไม่ตายพี่ต้องไม่ตายพี่ต้องไม่ตายแล้วไงอ่ะ เออแล้วพี่เปิดลงมาอากูไม่ตายก็ได้เงี้ยเหรอเพราะฉะนั้นต้องเรียนท่านเลยว่าวันนี้ก็คือเอาข้อเท็จจริงมาให้เอาง่ายๆฟังสบายๆแล้วฉุกใจคิดว่าต่อไปนี้นะครับในทุกอสสปป ส, สในทุกปัจจุบันของลมหายใจเราจะทำอะไรดีให้เกิดประโยชน์พลดผลและสร้างกรรมดีตลอดมาถึงข้อนี้ก่อนที่ไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสาหรับการเลี้ยงลูกนะครับถามนิดหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วคนเกิดมา ด้วยสาเหตุอะไร3ประการฮัลโหลสายไม่ค่อยดีนะคะสัญญาณที่นี่สัญญาณไม่ค่อยดี3ประการใครตอบได้มารับรางวัลจากท่านผู้อำนวยการ3ามหมื่นบาทเทิญค่ะท่านผออาแบบนี้จะโดนนี่จะโดนขึ้นให้ท่านนะครับนะสนุกสนุกนะครับ 1. เกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าใช่ไหม ลได้ละอันที่2เกิดมาเพื่อที่จะสร้างกำใหม่แล้ว3เกิดมาเพื่อที่จะตาย 3. ข้อเกิดมาเพื่อที่จะตายนี่ไม่ใช่พูดเองตามหลักพระศาสนาเปะ๊ะเพราะฉะนั้นการที่ท่านมาทำงานที่โรงเรียนรุ่งอรุณคุณครูทั้งหลายอยู่ในเกมข้อใด <c oughs> ห้ามตอบข้อ3นะคะ <c oughs> มาเพื่อที่จะตายเนี่ย ตอบได้เลยครับว่าท่านมาที่โรงเรียนรุ่งอรุณและคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งลูกบุ ร, รณมาเรียนที่รุ่งอรุณตอบได้ทั้ง3ข้อเพราะกรคมเป็นคํากลางๆยกเว้นภาษาธรรมินที่แปลว่าเลวร้ายกรคมเป็นคํากลางๆแปลว่าการกระทำมีทั้งบวกและลบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารับทําที่จะทําไปเนี่ยเราก็มารับวิบากซ ะ, ะเผด็จวิบากซะส่วนกรรมใหม่ก็คือกรรมดีอาจารย์ทุกครั้งที่คุณครูบาอาจารย์เนี่ยสอนลูกสิทธ์ไปทํายังไงรู้ไหมว่ากอก็สอนขอก็สอน แต่สองคนนี้ถ้าสอนและสอนอย่างฉล า, าดต้องสอนให้ได้อะไรให้ตอบได้ครับนายกก็สอนนายขอก็สอนสอนระดับมหาวิทยาลัยสมมติให้ฟังเนาะแล้วสอนอยู่ที่สถาบันผมอย่างเงี้ยนายกสอนเต็มที่เจตนาไงเจตนาทุกครั้งทำการสอนดีเข้าใจเรื่องของจิตวิทยาจะต้องเนี่ย60 40, 40 70 30อะไรก็แล้วแต่ ไม่ใช่ให้ร้อเให้ลูกศิษย์ร้อเปอร์ซแต่ลูกศิษย์รับได้20ไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าเกิดให้ลูกศิษย์สี์เซ็แต่ลูกศิษย์รับได้ร้อของทั้งหมด40ตโอเคกว่าไหมครับนี่ก็คือรุ่งอรุณไงเพราะฉะนั้นในกอเต็มใจสอนสนุกกับลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ก็รักด้วยในพระคุณที่3ในายกอเอาไป10แต้มส่วนในขอบ้าบ้าบา บ, าบาไม่เต็มใจสอนแล้วก็เลือดเชิดหญิงคิดว่าตัวเองเป็นพศดอลอยก็แล้วแต่นกกกออกนะออออ อ, ออออออออมั้ยยครบบบนขขสสส่่าางง อาจารย์ประสาทจริงๆนะถามเลยว่ายอดเขาที่สูงที่สุดในโลกคือยอดเขาเอเวอเรสต์ขอถามว่าในข้อสอบนะยอดเขาอะไรเตี้ยที่สุด <c oughs> เด็กบอกกูเรียนแต่สูง <c oughs> ตอบลงไปในข้อสอบเลย <c oughs> เนินห่วงซุยบ้านพ่อจารยงาเตี้ยสุด <c oughs> สมน้ำหน้าแม่ทัพพม่าที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยาเชื่อแซวุนกี้ขอถามมาขีม้าชื่ออะไรอะไรเนี่ย แต่ครูบางคนกลัวเด็กไม่รักออก ข, อข้อสอบข้อใดไม่เข้าพวกกอช้างขอมาขอบัวงอมเมขือเด็กงงต่อบัวโง่พอกันครูทั้งนักเรียนบ้าบๆพอกันอันนี้มาถึงไม่เต็มเจ็ดสอ่ะวันนี้ครูจะสอบวิชาวรรณคดีไทยพ่เธอรู้ไหมใครเป็นคนแต่งเรื่องสุนทรภู่เด็กก็ปรึกษากันใหญ่เลยนะใครว่าแต่งเรื่องสุนทรภู่แล้วตอบได้พระไพมณี ครูบอกถูกต้องนะครับบ้าบ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนาท่านบุฟังวันนี้ได้ไปคำแล้วนะเจตนาแปลว่าอะไรครับเจตนาแปลว่าเจตนาเจตนาแปลว่าความตั้งใจคุณแม่ทํากับข้าวให้คุณพ่อรับประทานด้วยความตั้งใจคุณพ่อเขาเหนื่อยมาเนาะคุณพ่อเขาเหนื่อยมาจากพี่บ้านแต่เราเป็นแม่บ้านเราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างคุณพ่อพึงใจเนาะคุณแม่ได้บุญไหมครับอย่านึกว่าทํากับสาบีจะไม่ได้บุญได้บุญนะ ได้บุญเสร็จแล้วปรากฏในอ่านใน Facebook อันนี้เราเอามาเล่าคุณครูอาจจะเคยได้ฟังแล้วปรากฏปะอ่ะนั่งนั่งพ่อนั่งอ่ลูกนั่งนแม่ถากับข้าขอโทษนะแม่ทําปลาทูไม่มาเคยได้ยินไหมปาทูไม่มาสองตัวพ่อตอบไม่เป็นไรแม่แม่ไม่เป็นไรมไม่เป็นไ ร, ไ น, ไ ร, ไ น, ไรนะพ่อชอบพ่อชอบปลาทูไม่ไหมพ่อชอบแม่บอกเอาเลือเลือขอบคุณนะพ่อนะแม่ก็ยิ้มแล้วก็ไปเตรียมอาหารอย่างอื่นในครัวลูกถามทันทีเลยบอกพ่อพ่อชอบปลาทูไม่ไมจริ ง, รงๆเหรอลูกพ่อก็ตอบบอกลูก ไม่มีใครปัญญาอ่อนขนาดนั้นหรอกลูกแต่พ่อตอบแบบนี้เป็นเพราะว่าลูกรู้ไหมแม่เหนื่อยแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยทุกคนต่างทําหน้าที่ลูกเราต้องให้กําลังใจแม่เนาะอาหารจานนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่อร่อยแม้จะไม่ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องรักษาน้ําใจกันไว้สมัยก่อนที่พ่อแม่เป็นแฟนกันนะคุณพ่อเป็นคนใต้นะลูกนะแล้วคุณแม่เนี่ยก็เป็นคนเป็นคนกลางๆคุณแม่เนี่ยนะจะทานเผ็ดไม่ได้เลยนะ แต่แม่ก็จะทำอาหารจืดๆพ่อก็ตอนแรกพ่อเยอะทําไมไม่ใส่พริกเลยแต่ตอนหลังพ่อก็ไม่เป็นไรพ่อก็จะมีถ้วยชามหนึ่งนะมีถ้วยๆวยหนึ่งเนาะแล้วก็ใส่พริกไว้ถ้าพ่ออยากทานเผ็ดพ่อก็เคี่ยวพริกเข้าไปแต่บางทีแม่เขาเก่งใจตายแล้วจะต้องเคี่ยวพริกตามแม่เขาจะทำอาหารเผ็ดจัดมากๆเลยนะแล้วแม่เขาก็จะมีถ้วยใบยเก่านั่นแหละแล้วก็ใส่น้ําไว้แล้วก็เอาอาหารจุ่มลงไป <c oughs> น่ารักกันทั้งตระกูลเลย นี่คือการสื่อสารแต่ถ้าเกิดบางบ้านมานี่ใครทำกับข้าวเนี่ยอ้วกจะแตกนะก็ฉันก็ทําถ้าฉันไม่ทําแล้วใครจะทํานี่นะสามีบอกเลือกได้ไหมฉันมีสิทธิ์เลือกมากไหมเลือกได้มึงจะกินหรือไม่กินดูสิหน้าตาก็ไม่ดีไม่อร่อยก็ไม่อร่อยโทษนะครับเอาไปให้หมามันกินไปภรรยาก็ตอบบอกว่าเอาไปให้มันกินแล้วแล้วมันไม่กินก็ามาให้เธอนี่แหละสามี ง, งงกินเลย เหา่าหอนได้ต่างหากเพราะฉะนั้นการสื่อสารสําคัญไหมท่านผู้ฟังสําคัญเ<น>จตนาเจตนาในทุกขณะเรื่องของกายกรรมด้วยวจีกรรมด้วยมโนกรรมด้วยมเมื่อ ก, รรกี้ผมทําไม่ดีเราให้ฟังออกจากห้องประชุมโมโหโทโสกลัวมาไม่ทันไงมีความรู้สึกไม่ดีดา่ากระจายทั้งห้องประชุมแต่ดารัหลังนะคะมันใช่ประชุมอะไรชาติก่อนชาตินี้บ้าบอคอหานวาและจะบรรจุอะไรนักหนาเข้าไปน่าให้ท่านฟัง การแสดงอารมณ์ออกไปทุกครั้งไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันเป็นอะไรครับสันดาลหรือคะคุณครูตกใจหมดเลยฟังแหมบอยังไงไม่รู้อ้าวขออนุญาตอธิบายคำนี้คุณครูว่าคำนี้แรงไหมสันดานสันดานกับสันดอนพี่น้องกันสันดอนคือสิ่งที่กระทำไปแล้วแต่ไม่ประจํามีบ้างเช่นโทษนะครับสมมติว่าบางมหาวิทยาลัยเนาะมาสายนักศึกษามาสายเล็กๆน้อยๆ อย่างนี้เรียกว่าสันดรหรือสันดานสันดรนเขาเรียกว่าสายสามัญ น, นึกออกไหมคะแต่ถ้าเกิดมาสายตลอดช่วการนานเทินอันิสัยอาชีพนึกออกไหมคะอันนี้คือสันดาลอะไรก็ แ, แล้วแต่ละทําบ่อยๆจนกลายเป็นบุคคลิกภาพจนกลายเป็นนิสยัยจนกลายเป็นความเคยชินขอกราบประทานโทษเขาเรียกว่าสันดาลสันดรจึงไม่ใช่คำหยาบคายสันดานจึงแปลว่าสันดอนที่นอนเนื่องต่อกันมาหลายภพชาติและยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้เช่น อย่างหม่อมฉันอย่างหนูเองมีลักษณะมีโทสะเป็นเจ้าเรือนเคยเป็นแบบนี้บ้างยกมือเป็นเพื่อนหน่อยเฮยดีใจขอบคุณมีเพื่อนเยอะเลย <laughs> แล้วมีโทสะเป็นเจ้าเรืองแปลว่าอะไรครับนิดก็ไม่ได้หน่อยก็ไม่ได้งุดกีดขี้โมโหเป็นตัวเขาเรียกว่าเจนจริตที่สองใน6จริตที่เรียกว่าจริตหที่สมเด็จพระผู้มีพระพากเจ้าทรงตรัสสอนใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ปั๊บแล้วทำยังไงต่อไปต่อไปนี้ถ้าโกรธแล้วทํางไงต่อไปลุยเลย อย่าปล่อยไว้เป็นเส้นนามแผ่นดินให้สังเกตว่าพอโกรธปั๊บในทางโลกเขาจะบอกว่าไงรู้ไหมคุณจะต้องข่มไว้นะคุณจะต้องข่มใจไว้นะนี่คือในทางโลกซึ่งสอนผิดมากเพราะข่มไว้ปั๊บมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาใช่ไหมคุณแม่เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นยังไงครับมันต้องเข้าใจและรู้อ๋อเป็นแบบนี้แล้วพอไปเรียนธรรมะมาปั๊บ อย่ามีตัณหาอย่ามีปฏิฆะหรือโทสะที่ขัดเคืองให้อยู่อย่างนี้แล้วดูลมหายใจแล้วดูเวทนาให้ดูเวทนาปั๊บผมชอบคำนี้มากเลยนะพอดูปั๊บแล้วเนี่ยนะมันจะลอกกิเลสของเก่าออกและของใหม่ก็ไม่เกิดท่านดูขนาดนี้สินี่คือธรรมะของสมเด็จพระพูทมีพระภาคเจา้ากิเลสของใหม่ก็ไม่ทับกิเลสของเก่าก็ถูกลอกออกไปท่านว่าดีไหมเพราะฉะนั้นใครที่วิตกจริตก็สามารถใช้ได้ นี่ก็เป็นอีกต่างหากใครเป็นยกมือเป็นเพื่อนหน่อยเป็นใช่ไหมครับคุณครูคุณแม่เป็นเนาะอืมวิศวชดิตเป็นงี้ครับง่ายๆเช่นพอจะนอนปั๊บแก๊สปิดยังเป็นไหมคะก็ลองไปดูแก๊สพอขึ้นมาจะได้นอนแล้วประตูหน้าล่ะประตูหน้าไปดูประตูหน้าดูประตูหลังดูหมดเลยดูทุกอย่างจริงไหมคุณครูพอจะนอนปั๊บและแก๊สล่ะอ้าวนี่อีแก๊สนี่สองรอบตีสี่ครึงกว่าได้นอนหมุนหมุนไปหมุนมาเนี่ย ในทางปฏิบัติในทางโลกเขาเรียกว่าออฟเซสซีฟคอมเพลซีฟออฟเซสซีฟคอมเพลซีฟแปลว่าย้ำคิดและย้ำทำมันแยกกันนะทุกท่านผู้ฟังย้ำคิดแปลว่าอะไรไหมครับอันนี้แรงมากย้ำคิดแปลว่าไม่ได้อยากคิดเลยแต่หยุดคิดไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้อยากเลยนะอีนี้มันเข้ามาแล้วหยุดคิดไม่ได้แต่ย้ำทำน่ารักแก้ได้เช่นล็อกประตูเสร็จล็อกหรือ ย, อยังเป็นล็อกดูอีกทีงล็อกเสร็จกลับมาน่าจะล็อกเอ๊ะหรือว่าเมืม่อกี้ไปปลดล็อกอะดูอีกทีง น่ารักอันนี้ประสาทนี่จะดีนึกออกไหมพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกลูกทำกับบ้านทำกับทำการบ้านหรือยังถ้าลูกที่เขาฉลาดลูกจากรุ่งอรุณเขาจะตอบแม่ไหมไหมทแล้วทําแล้วทําแล้วทําแล้วทําแล้วนี่แม่ถามคําเดียวไม่จริงเดี๋ยวแม่ต้องถามอีกสครั้งแน่นอนหนูตอบไปเลยทีเดียวเลยแล้วกันทําแล้วทําแล้วทําแล้วเพราะหนูจดไว้ทุกครั้งแม่จะถามห้าครั้งด้วยกัน ตกลงที่หัวเราะนี่ใช่ทั้งนั้นเลย <S <S ใช่ไหมครเพราะฉั้นกาบเรียนท่านครับวิตกจริตโทษจริตโทษนะครับแล้วก็มีราคฆจริตเอาเรียงให้เลยแล้วกันนะหนึ่งราคฆจริตเด๋ยรื่องจริตกันนิดนึงแล้วกันราคฆจริตแปลว่าเราจะได้รู้จักตัวเองกันเนาะราฆจริตแปลว่าอะไรครับตายแล้วบางคนบอกตายรอเรือสระอาคอควายสระอาจะต้องเป็นคําว่าเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์ราคฆจริแตแปลว่านังนี่ต้องคันคาราดิวแน่นอน โชคดีที่อาจารย์ไม่ได้เอาเอกสารมาจดคำนะครราคาจริตแปลว่าความสวยความงามอายตนะทั้ง6จะต้องเสพในเรื่องของเลือดเลอร์เพอร์เฟคนที่เป็นราคาจริตนะครับท่านผู้ฟังจะเป็นลักษณะที่คิดทั้งวันจินตนาการทั้งวันแต่ไม่มีความคิดที่เป็นเรื่องเป็นราวนึกออกไหมแต่เป็นคนน่ารักนะราคาจริตนี่จะพูดเพราะอาหารที่จะทานจะเป็นอาหารรสหวานการแต่งกายจะสวยงาม เพื่อนฝูงจะชอบเพราะจะมาพูดจาดีอะไรจะดีอยู่ตลอดเวลาถ้าของจะต้องใช้ของแบรนด์เนมกระเป๋าจะใช้แบบร9อไม่ได้ต้องใช้ใบ185่งแกระเป๋าที่ทําจากเนื้อสมันที่มีเพศสัมพันธ์กับกวางในล่างเก้งนี่หรือไหมคะจะประมาณนี้กระเป๋าทาจากเนื้อลูกวัวอ่อนโตในท้องแกะอีแพะเอาไปเลี้ยงเลยเนี่ยนกเอี้ยงเอาไปฟักแม่กาก็หลงรักขี้ลูกนิวทอนจะเป็นแบบนี้อาหารจะต้องทานแบบหรูหรู น้ำส้มต้องแก้วละ200อกว่าบาทผมเคยเจอครั้งหนึ่งน้ำส้มสองแก้วไผ่ไก่2ชิ้น700รอกว่าบาทวันนั้นไม่ฉี่เลยนะฮะเก็บไว้เป็นขวัญกัวขวันกระเพาะอยู่ตลอดเวลาอันนี้ราคาจริตคนนี้แต่นิสยัยฟังดีมีนะครับของสวยของงามทำอะไรประดิษฐ์ประดอยว่าไปเนาะ แต่ของจะต้องเนีย้ยบศีรษะจดปลายเท้าจะบอกให้มีทุกคนลักษณะนี้จะมีมากหรือน้อยเท่านั้นเองชัวร์ไหมครับอแต่ข้อไม่ดีของราคาจริตคือชอบอิจฉาชอบอิจฉามันจะมีนะเห็นใครดีไม่ได้เห็นใครได้ไม่ดีพอเห็นปั๊บเนี่ยฉันมันใส่แมนนี่จริงๆเธอรู้จักเขาเหรอไม่อ่ะอ้าวแล้วไงล่ะไม่รู้มันไม่ถูกชะตาดู ด, ดูมันเล็ดเล็ดยังไงไม่รู้ดูดูมันทำปากกาตกอีกแล้วแม่ทำเป็นอ่อนช้อย ปะกาด้เบียงถือไม่อยู่ดัดแจริตนรรดาเข้าไปอันนี้จะเป็นราคาจริตจริตที่สองคือโทสัจจริตปากไวกว่าแสงปากเกสงสมองยังไม่ได้ดสตาร์ทเดินตรงพูดเร็วพูดไวน้ำเสียงคมฟังชัดนึกออกไหมครับเวลาประชุมปั๊บเนี่ยจะลุยเป็นไงเป็นกันนะโทสัจจริตนะข้อเสียคือบางทีไม่สนใจความรู้สึกของใคร แต่ข้อน่ารักก็คือบางทีด่าไปเสร็จสับเรียบร้อยมาขอโทษตอนหลังคนที่โทสกจริตจะมีความเป็นผู้นำสูงนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ข้อเสียก็คือว่าจริตนี้ไม่ดีเลยถูกไหมท่านถ้าจิตดวงสุดท้ายมรณาสันนการมรณาสันนวิถีมีดวงอย่างนี้อยู่ในดวงจิตไปเป็นสัตว์นรกใช่หรือไม่ต้องระวังจริตที่สามโมหจริตแปลว่าอะไรครับ โมหจริตตัวนี้ถ้าเกิดคือโรพะโทสะโมหะ น, นั้นแปลว่าหลงแต่โมหะตัวนี้คือความเชื่องช้าซึมเศรงงงเบลเบลใครเข้าไหจกลุ่มนี้น่ารักทํางานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดีไม่มีปากมีเสียงใครให้ทําอะไรก็ทํายี่ต่ำตัดสินใจบกพ ร, ร่องนึกออกไหมคะอะไปไหนไปอไปไหนไปไปไหนไปไปอกินไหนไปไปหมดเลยไปหมดน่ารักแต่ไม่มีความเป็นผู้นําแต่เพื่อนรัก เวลายอยู่ในที่ประชุมก็เงียบเงีย ب, บเทียบเทียสบายสบายจะอยู่ในโลกของตัวเองเสมอบางทีเบลอเลขับรถเข้ามาที่ทํางานที่นี่ที่ไหนอะพอถึง ร, ปรอปพยื่นแบงล้อยให้ ร, ปรอปพยื่นนึกว่าทางด่วนอี ร, ปรอปพยก็ถอนมา50บบ้าพอกันไอ้ น, น, น, นี่ก็เบอร์ด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นโมหะจริตเป็นไหมครับอาใครก็ตามไปอ่าก็ตามตามอตามไปจริตที่สี่หนักมากก็คือวิตกจริตหรือวิตตักกจริต คนนี้ถ้าเป็นนักพูดสุดยอดมากถ้าเป็นนักประชาสัมพันธ์สุดยอดมากถ้าเป็นคุณครูสุดยอดมาก <laughs> และถ้าเกิดสมมติว่าเป็นนักสืบสุดยอดมากอะไรที่คนอื่นเขาไม่มองวิตกจริตมองเจอ <laughs> คืออะไรที่เขาไม่ทําในแม่นี่ทําแต่ข้อเสียคือไม่มองภาพใหญ่มองแต่เรื่องจุกจิกจุกจิกรายละเอียดจนกระทั่งตัวเองเป็นคนยุมย้มยิ้มแล้วเรื่องคนอื่นนะเรื่องเขาเนี้ยถ้าเกิดว่าเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวกันเนี่ยถ้ามีคนอื่นมาปั๊บเขาลืมไปแหละแต่คนนี้จะหยิบเรื่องนี้กลับมาใส่กระบาลระพบ แล้วเพราะมาเมล็ดพันธุ์ให้เติบโตอยู่ตลอดเวลากลายเป็นคนยำคิดยำทำนี่วิตกจริตเป็นจริตที่ได้รับกรรมมากพอสมควรจะต้องปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่แม่พันธที่บอกเนาะต้องปฏิบัติธรรมเท่านั้นผมไปอ่านหนังสือแล้วเจอตรงกันว่าคนเป็นวิตกจริตใช้เหตุผลแก้ไม่ได้ท่านเคยได้ยินคานี้ไหมครับใช่เหตุผลแก้เป็นแค่ครั้งครั้งแต่เดี๋ยวมันก็คือเหมือนหินทับหญ้าใช้สมาธิยังไม่ค่อยได้เลยต้องใช้วิปัสนาเท่านั้น คือการรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัพพัญญะและมีอุเบกขาในการทุกเมื่อจึงแก้วิตกจริตได้แต่ขอ้อมีไหมค่าวิตกจริตมีไหมค่าไข่ทีซีไข่ทีซีรู้สึกน้อยลงไปนะเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> จริตที่5ครับคืออะไรครับไททายเชิญครับฮ <Hello? S 1> ัโลศรัทธาจริตศรัทธาจริตนี่คือมีความเชื่อเป็นอุดมการณ์มีความเป็นมุ่งมั่นต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กรสังคมประเทศชาติ จริ ง, รงๆคนนี้ศรัทธาจริตเหมือนท่านประยุทธ์จันโอชาอันนี้ใช่แต่ศรัทธาจริตมีบวกมีลบถ้าไปเชื่อหรือไปหลงรักใครนะครับไปชอบนะักกานเมืองส ม, มุทรขาดใครก็แล้วแต่ชอบจนหัวปักหัวปำอันนั้นศนระัทธาจริตแล้วคนนี้มีแนวโน้มรุนแรงไม่ว่าจะชอบใครนะมีแนวโน้มเอาชนะด้วยความรุนแรงศรัทธาจริตถ้าศรัทธาไม่ใช่เกี่ยวกับในเรื่องของพระศาสนาในสิ่งที่ดีงามนะครับจบเลย มันจะไปศรัทธาเรื่องอะไรเสือสมิงลิงลมควายจันูงู2หางกวางสองหัวอีโกนา8ปงอนมีจังหวัดนึงอ่านข่าวไหมครับไม่เอ่ยชื่อจังหวัดจังหวัดแพร่นะฮะน้ําผุดขึ้นมาไปล้อมกันใหญ่เลยล้อมกันใหญ่น้ํามันผุดขึ้นมาเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์ตักกันใหญ่เลยพอราชการเข้ามาตรวจไปดูซิมามุงอะไรกันเนี่ยน้ําศักดิ์สิทธิ์พอมาปั๊บน้ําหายพอเข้าไปปั๊บน้ําผุดโอ้โหตักกันใหญ่เลยนะตักไปฝากที่บ้านกันใหญ่เลยนะ ปรากดสืบไปสืบมาข้างบ้านส้วมแตกข้างบ้านซ้วมแตกน้ำที่ผุดมาน้ำส้วมเชื่อไหมคนที่ไปนะคนที่ตักไปถานนะโรคภัยคายเจ็บหายจริงๆพราะอ้วกแตกออกมาขอไม่ดีมันออกหมดเลยเนยะพิษเพิดออกหมดเลยศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะนั้นกลับเรียนท่านนะครับต้องบอกเลยนะ ความศรัทธาขออนุญาตพูดถึงขออนุญาตนะครับสท่านนะพูดถึงพระศาสนาว่าความเชื่อสีประการในหลักของพระพุทธศาสนาให้เชื่อไปเลยเต็มร0 0เอตย่าได้เปลี่ยนไปเลยคืออะไรครับใครตอบได้สข้อ1เชื่อเรื่องอะไรครับ <c oughs> อ้าวขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ1เชื่อกร <c oughs> สองผลของกรรม สมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม4การตัดสรุป ข, ขององค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้าเชื่อไปเลยสข้อนี้ไม่ต้องการามาสูตรอะไรทั้งสิน้น4ข้อนี้ให้เชื่อไปเลยใช่หรือไม่อ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญพ่อแม่เดียวกันลูกจําเป็นต้องหน้าเหมือนกันไหมดีเอเหมือนกันอะไรเหมือนกันลูกบอกแม่ทําไมหนูไม่เห็นสวยเหมือนพี่ เ, เลยแม่บอกแม่ไม่รู้แม่ก็ทํามาแบบเดียวกันเลยไม่ได้พิสดาอะไรเบสิกเบสิก คนโตชื่อน้ำส้มคนที่สองน้ำหวานคนที่สามน้ำเหลืองทำไมอย่างนั้นละ่ะมันเป็นวิบากขอประทานโทษมีคุณแม่ด้วยกี่เดือนแล้วคะเก้าเดือนโอ้ใกล้แล้วเนาะการฟังสิ่งที่สบายๆน้องเขาได้ฟังด้วยนะคะห้ามคลอดวันนี้นะคะผมฉันจะเป็นวิทยกรเบอร์หนึ่งของประเทศไทยที่บรรยายเสร็จแล้วคลอดเล ย, เลยคุณแม่ขอประธานโทษคุณแม่ห้ามทานน้ำเย็นพอดีอยู่ซีออยเป็นประธานที่ปรึกษาของซีออยนะครับไม่ได้โฆษณาแต่ดีที่สุดเลยนะครับตอนเนี้ ห้ามทานน้ำแข็งน้ำเย็นนะครับทุกท่านเพราะกระเพาะจะตายน้ำตาลฟอกขาวนี่ไม่ได้เลยนะครับคุณแม่เนาะน้ำส้มสายชูแล้วก็กล้วยกล้วยเตี๋ยวที่มาจากนะครับถังที่ทําจากตะกั่วคุณแม่ห้ามได้เลยห้ามห้ามทานเลยแล้วก็อะไรที่เผ็ดร้อนเนี่ยไม่ได้เลยให้คุณแม่ทานกล้วยน้ำวาโอเคไหมครับเยอะๆทราบดีเคยท้องนึกออกไหมคะเคยท้องมาบ้างมาตามสมควรนะครับโอเคเนาะจริตที่หกจริตที่หกจริตที่หกคืออะไรครับ เย really hey, it ี่ยมเลยครับคุณครูครับพุทธิจริตหรือยาณจริตคนนี้น่ารักอัธยาศัยดีอารีอารอบมีเหตุมีผลนะครับดีมากเลยข้อเสียนี้เดียวคือเวลามีเรื่องอะไรแรงๆอาจรับไม่ทันเพราะไม่กล้าดเหมือนกับจริตทั้งหลายที่ผ่านมาเข้าใจไหมครับสรุปท่านผู้ฟังครับวันนี้มารู้จักตัวเองเซลฟ์แอนาลซิสกันเนาะถามจริงๆทุกคนมีครบหจริตอ่ะโทษมีทุกคนไหมจริตนี่มีทุกคนไหมมีงั้นขออนุญาตสนุกสนุกกันนะครับ อันนี้ยังไม่เอามากเอาน้อยนะเอาแค่ว่ามีพอนะใครคิดว่าตัวเองมีราคาจริตยกมือทุกคนมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคาจริตจะแก้ไขโดยการอะไรครับทุกจริตนะก็คือปฏิบัติธรรมถูกไหมครับแล้วก็มีความยั้งคิดมีการพิจรรารณาไตรตรองและห้ามฟุ่มเฟือยเด็ดขาดใช่หรือไม่ต่อไปนี้เนี่ยเศรษฐกิจตอนนี้แย่ที่สุดเลยใช่หรือเปล่าจะไปโทษคอสอชอไม่ได้อันนี้ไม่ได้ออกรับแทน จะโทษไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามาไม่กี่เดือนใช่หรือไม่มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามต่อไปเนาะองไม่ฟุ่มเฟือยอยากได้กระเป๋าที่มันมีลิงห้อยคลิปลิงมันแพงแล้วก็ซื้อร้9ยมาเอาชนีห้อยได้ไหมคะโอเคไหมก็เก๋และเป็นรุ่นลิมิเต็ดมีอยู่สองใบซื้อมาสองตัวอย่างเงี้ยแต่รุ่นคืนชนีสู่ป่าเลยก็ว่าไป อ้าวใครเป็นโทสัจจริตโยกโทสะขออดุญาตท่านผู้ฟังตัวของกายวาจาใจนะครับกายวาจาใจนะการกระทากายกรรมวจีกรรมโนกรรมอะไรที่ก่อให้เกิดผลที่เลวร้ายที่สุดสําหรับเรื่องของโทสัจจริตกายกรรมคือการฆ่าไปประหารไปทำร้ายเขาใช่ไหมแต่ที่ทำได้บ่อยและถี่ตลอดต้องระวังต้องระวังผมเคยพลาดเรื่องนี้เยอะนะเลยจะต้องมาบรรยายธรรมะชดใช้กรรมเวร ปากร้ายต้องระวังนะครับชมคนต้องชมด้วยความจริงใจวันนี้คุณครูสวยจังเลยต้องไหนเหรอคะนั่นซีจะชมหาอะไรอย่างนี้ต้องชมจริงๆงต้องชมจริงๆต้องมีสเสน่ห์ในการพูดอ้าวสวัสดีค่ะคุณครูกายอีบ้ากุนกไม่เป็นไรคะ่ะสัตว์ปีกเหมือนกัน ต้องคิดทุกคําที่พูดแต่ไม่พูดทุกคําที่คิดใช่ไหมต้องระวังสมัยผมไปบรรยายเนี่ยเขาบอกว่าสมนะสมุตินะสมมุตินะมีคนเดินเข้ามาที่โรงเรียนของเราสมมติเดินเข้ามาแล้วหน้าเหมือนลิงสมมติหน้าเหมือนลิงสมมติหน้าเหมือนลิงจริงๆคิดได้ไหมได้หรือเปล่าม่รู้มคิดไปแล้วแต่จะไปต้องพูดไหมเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะรับกาแฟหรือกล้วยค่ะอุ้ยตายเขาจะบอกรุงอรุณ น, นี่สมกับเปโรงเรียนรุงอรุณจริงๆมีการเสิร์ฟกล้วยด้วย คนนั้นก็บอกขอเป็นกล้วยหอมแล้วกัน <laughs> <laughs> แล้วฝากอย่า ง, นงหนึ่งหนอายกมือนะคุณแม่ขอคุณแม่ก่อนเนาะ <laughs> คุณแม่ท่านใดเคยพูดพลาด <laughs> ขออนุญาตยกมือนะสนุกสนุกเนาะ <laughs> เคยพลาดดุลูกด้วยถ้อยคำรุนแรง <laughs> อ่านะครับถามต่อข้อที่สองใครเคยพลาดนะครับพูดกับสามีด้วยถ้อยคำรุนแรงคุณแม่ยกค้างไ้เลยไหมคะคุณเล่นเนาะ ขออนุญาตนะครับอ้าวั้่างทั้งห้องนะใครเคยพลาดพลั้งพูดจาอ่าผมถามมาใหใครที่คิดว่าตัวเองกระตันยูต่อพ่อต่อแม่ยกมือครับมรนาสาธุครับใครที่เคยพลาดพลั้งพูดจากับพ่อแม่ไม่ดียกมือครับกลุ่มเดียวกับเมื่อกี้นี้เลยนะคะเอ <c oughs> ้ถามคําถามคนถามด้วยคนตอบสับสนไม่รู้ <c oughs> เรียนท่านอย่างนี้เราก็บางทีมีพลาดนะแม่แม่ไม่กินยาทําไมแม่ไม่กินยาเนี่ยทำไมใช่ไมใช่ <c oughs> หารู้ไหมว่าบางทีเขาอาจจะแบบเบื่อก็ได้ หรือต้องการความสําคัญก็ได้แล้วแต่แต่ละคนเลยเพราะฉะนั้นให้ต้องระวังต่อไปนี้วิธีการพูดก็คือเมื่อมีสติสัมปชัญญะคืออย่างนี้ครับ <sh> เวลาจะพูดกับใครให้คิดเสมอว่าการพูดครั้งนั้นของเราคือครั้งสุดท้ายของเขาเพราะอได้ไหมครับถ้าเราพูดไม่ดีปั๊บแล้ววันลุ่งขึ้นไม่มีเขาอยู่แล้วเราจะไปขอโทษตอนไหนใช่ไหมเออบางคนพูดจากับพ่อผมเคยเห็นกับพ่อไม่ดีเลย <S <S กับแม่ไม่ดีเลยแย่มากแล้วถ้าเกิดพ่อแม่ตายไปแล้วทําไงสร้างภาพอีนี่ก็สร้างภาพ แม่ต้องไม่ตายแม่ต้องไม่ตายแม่ตายไม่ได้แม่ต้องไม่ตา ย, ตา ย, ต อ, ตายอวดแขกเราให้อวดแขกเราก็อยากจะเดินไปถามทาไมแม่เธอถึงจะไม่ตายแม่เธอเป็นอมาตะเหรอแม่เธอสําเร็จวิชาโยกยายเส้นเอ็นหรือไงแม่ดูไม่จะไม่ตายเพราะฉนั้นต่อไปนี้จะพูดกับสามีภรรยาบุตรธิดาอย่าเด็ดขาดพูดไม่ดีให้พูดเสมือนหนึ่งขอโทษนะครับครั้งสุดท้ายของเขาเข้าใจนะเพราะเขาถามนี่วันนี้เธอไปเรียนอะไรมาเนี่ยวันนี้พูดจา ก, กับฉันดีจริงๆ เราตอบว่าคืออย่างนี้ที่ฉันพูดดีกับเธอวันนี้เพราะว่าฉันคิดว่าวันนี้เพื่อจะเป็นวันสุดท้ายอันนี้ไม่ต้องพูดนะคะ น, นี่ถูกบล็อกเลยนะคะไม่ได้เลยนะอันนี้เราตายนะอย่าลืมกดเดิมจงคิดทุกคำที่พูดไม่พูดทุกคำที่คิดนะครับนะครับตรงนี้ฝากคุณพ่อคุณแม่อย่ากโกรธนะพอดีไปบรรยายเยอะแล้วลูกเยอะ ไม่มีลูกก็จริงน่ยแต่ว่าลูกเป็นแสนคนนึกออกไหมครับมีลูกเป็นแสนคนต้องบอกอย่างนี้ครับนะไอ้ดําอ้ขาวไอ้เผือกอีอ้วนไอ้หอมทําไมโง่อย่างนี้ห้ามเด็ดขาดมันจะลงไปในจิตใต้สํานึกของลูกเลยใช่ไหมทำไมลูกโง่อย่างนี้สู้ลูกบ้านนู้นก็ไม่ได้ลูกบ้านนู้นเล่นเรียนก็ได้ทีหนึ่งเล่นกีฬาก็ได้ทีหนึ่งอนท์านก็ได้ทีึ่งทำไมลูกโง่อย่างนี้ไม่เก่งเปลูกบ้านนู้นลูกก็ถามว่าก็ลูกบ้านนู้นไม่มีพ่อแม่เหมือนลูกบ้านนี้แม่บอกเออจริงเป็นลม อย่าห้ามเปรียบเทียบเด็ดขาดผมถึงโมทนาไงส่งลูกมาเรียนลุ่งอรุณดีแล้วอย่าให้ลูกเก่งเลยไม่แปลว่าเก่งไม่ดีอย่าให้ลูกเก่งเหนือดีเลยถ้าดีแล้วลูกจะเก่งแต่ผมเห็นมาเยอะเก่งแต่มันไม่ดีดูเอาไหมครับเกียร์นิยมโอ้โหสามจุดแจุดเก้าเลยนอบ น, น้อมถ่อมตนก็ไม่ไว่ามือแข็งมากเด็กเปรตรุ่นใหม่หมเนี่ยขอโทษนะที่อื่นที่นี่ดี <c oughs> ผมไม่ชอบเลย เดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ผมใช้วิธีการนะเธอไม่ไวายฉันนะันฉัว่ายเธอว่ายให้เห็นเลยเข้ามาในห้องพักครูแต่งตัวไม่ออกไปดุไหมดุดุมากแต่ในขณะเดียวกันต้องบอกเลยว่าระเบียบวินัยวัฒนธรรมต้องมีกลับออกจากบ้านต้องสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งเข้าบ้านต้องสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งให้ของต้องสวัสดีทุกครั้งอยู่บนโต๊ะอาหารสิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือตักอาหารให้กับผู้ใหญ่ก่อนเสมอเสมอแล้วมันก็ทําจริงนะ แต่พวกกระดูกระดูอะเนื้อไหมครับให้พ่อแม่ก่อนกระดูกระดูเนี่ยเหนื่นเนื้อนนๆๆๆๆๆเนื้อหนูเอาไว้กินอย่างเงี้ยบริการอย่างดีทําอย่างดีต้องฝึกเขาต้องฝึกเขาจะลูกโตแค่ไหนต้องฝึกเขาแล้วบอกรักกันอะไรกันนึกออกไหมครับทําดีที่สุดเมื่อถึงวันลูกจากไปเราจากไปจะได้ไม่ค้างคานี่เรื่องจริงแล้วต้องทําใจอย่ากโกรธเนาะ <Quiz> ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุก์ใช่หรื <S <S อไม่บางคนบอกทำไมไม่ง้อถ้างั้นกูจะไปที่ใดไม่ไปที่นั่น บอกอีบ้านที่เดียวกันมันเลือกได้เหรอไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีก็ดีแต่ถ้ามีแล้วต้องเข้าใจไม่ใช่ทําใจทําใจทําไม่ได้ท่านผู้ฟังคํานี้ไม่มีนะในพจนานุกรมเนี่ยชอบคิดกันขึ้นมาเองเช่นคําว่าทําใจทําใจคือพอเกิดความพัดพลาดทำใจทําใจมันก็ดีอยู่หรอกแต่ทําใจมันทุกทรมานใช่หรือไม่แต่ถ้าเกิดมีความเข้าใจจะดีกว่าไหมคะเข้าใจแปลว่าอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองเอาไปคำหนึ่ง คำนี้ดีที่สุดผมชอบหลวงปู่ชาท่านสอนอยู่ไม่แน่อะไรก็ไม่แน่อะไรก็ไม่แน่ชอบก็ไม่แน่เกลียดก็ไม่แน่อะไรก็ไม่แน่แนแนแนถูกไหมถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บนะ่นท่านจะสบายใจรักๆ ก, กันเดี๋ยวก็โกรธเกลียดๆกันเดี๋ยวก็ดีวันนี้ชอบอาจจะไม่ชอบพรุ่งนี้ผมอาจจะต้องราออกจากที่ทํางานก็ได้ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแน่นอนดูตามความเป็นจริงจะสุดยอดมากเลยจริงไหมครับอันนี้คือยังอยู่ในเรื่องของโทรศัจริต นะครับตัวที่3ามคือโมหาจาริทยเมืนสิครับกลเป็นแบบนี้โมหาจาริตโอยเยพอสมควรโมหาจาริตมีสเสน่ห์นะโมหาจาริตมีสเสน่ห์คนชอบยิ้มแย้มแจ่มใสคล้อยตามไม่ขัดแย้งง่ายๆแต่ต้องมีภาวะความเป็นผู้นําเสียบเข้าไปด้วยกอประทานโทษบางคนทําช้ามากช้าเกินเดินก็ช้านั่งก็ชะายืนก็ชะตัดสินใจก็ชะทําชั่วอย่างทําช้าๆเลยได้ชื่อว่าเป็นคนชั่วชะ อันนี้คือรากศัพที่ถูกต้องนะคะอันนี้ไม่ได้โมหะจะต้องไวนะครับข้อที่ C วิตกจริตครับข้อนี้ผมดีขึ้นคุณแม่ช่วยใครๆช่วยวิตตกจริตไม่ได้แปลว่าไม่ให้นึกถึงมันนะนี่ผมก็มีปัญหาอยู่คิดอยู่พอมีปั๊บเนี่ยนะถ้าคิดถึงมันบอกไม่ใช่หาเหตุผลนะเดี๋ยวมันก็เป็นอีกใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นให้วิธีรู้ไปเลย รู้ไปเลยนี่พยายามอยู่นะครับยังพอยังยังยังไม่ค่อยได้ต้องพยายามนะรู้ไปว่าเรากําลังคิดถึงเรื่องนี้รู้เสร็จแล้วไม่ปรุงท่านผู้ฟังรู้แล้วไม่ปรุงรู้แล้วไม่ไปบวกเป็นตันหารู้แล้วไม่ลบเป็นปฏิฆะหรือโทสะกลางๆางกลางๆงโทสะของอกิเรตของใหม่ไม่เพิ่มของเก่าก็ลอกออกดีเลยอันนี้ดีเลยขอประทานโทษสุภาพสตรีจะเสียเปรียบผู้ชายอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่ ขอโทษนะครับภาษาไทยเนอะหญิงชั่ววา ก, ากากีชายอัปรีว่าขุนแผนแปลว่าอะไรบางคนมาคุณแม่จริงผู้ชายมีหลายคนถือว่าดีไหมใช่ไหมโอ้ยคาสโนวาขุนแผนผู้หญิงมีหลายคนอีกากีอีวันทองอีลำยองอีทองเนื้อก้าโอ้โหดาทําไมล่ะทําไมมันถึงจะไม่เท่ากันแต่ของทั้งหมดทั้งปลวงทั้งปลวงเนี่ยนะครับถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นก็ต้องวางเป็นถูกไหม ก็ต้องวางว่าไม่ไปเพิ่มตัวตันหาไม่ไปเพิ่มตัวปฏิคะอยู่กลางๆลอกของเก่าออกเรื่อยๆชีวิต จ, จริงจะมีความสุขถึงสแตนอ a น o ก็อยู่ได้โอเคนะครับตัวที่5สศรัทธาจริตต่อไปนี้ต้องรับฟังความคิดของคนอื่นให้มากๆใช่ไหมไม่เชื่อมั่นตัวเองกูเก่งกล้าสามารถพ่อแลมโบแม่โคแนนพี่เป็นซูเปอร์แมนตัวกูเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เก่งเหลือเกินไม่ได้ไม่ได้ครับ และตัวที่5้ายา น, นจริตอันนี้ดีมากดีที่สุดเลยใช่ไหมครับแต่ก็ต้องเพิ่มในเรื่องของความเข้มข้นในเรื่องของอาจจะเรื่องของการดำรงชีวิตนะครับต้องมีความเข้าใจเพราะผู้ที่จริตนี้เข้าใจอยู่แล้วก็โอเคถามต่อสรุปนะครับหจริตพอตัดสินได้ไหมตัวเองอะไรโดดเด่นที่สุดดูลนะครับ6ตัวนะผมขอบอกอาจารย์หนูครบเลยหตัว <c oughs> แกงหวครบเลย ลองดูเอาให้ถ่ายผู้บรรยายจริตอะไรแรงกล้านําเป็นที่หนึ่งอะไรครับวิตกกับโทสะนี่ต้องเข้าเส้นชัยโดยใช้ภาพถ่ายเลยสองตัวนี้ใครมีทั้งสองตัวกับหนักสุดแต่ผมก็มานั่งคิดอีกทีอะมาเอามาซะมาซะเลยจะได้ลอกออกเพราะถ้าเกิดผมตายไปอีซิมตัวนี้ยังอันเดิมนะจำได้ไหมซิมอะ พอผมตายไปปั๊บถ้าสเสบียงบุญไม่ดีผมก็จะต้องไปเสียบเครื่องไหนอ่ะ3310์เสบเสียบเครื่องอมาม่าแต่ถ้าเกิดสเสบียงบุญดีก็จะไปเสียบเครื่อง iPhone 6ใช่ไหมซัมซุงใช่ไหมครับดีๆใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวซิมตัวนี้จะไปเสียบเครื่องไหนแต่ใจดวงเดิมทุกอย่างยังบันทึกอยู่ถ้าไม่ลอกชาตินี้จะไปลอกชาติไหนจึงกราบเรียนให้กําลังใจทุกท่านว่าถ้าในชีวิตมีอะไรเข้ามาหนักๆบางทีให้คิดว่าดี ใช่หรือไม่มาซะบางคนบอกอาจารย์หนูทําฟันเสร็จแล้วเอ้ยหนูไปทําบุญเสร็จหนูปวดฟันขนาดนี้ได้ยังไงอาจารย์ขาหนูทําบุญเสร็จกระเป๋าตังห์หายอาจารย์ครับปรากฏว่าผมทําบุญแล้วแม่ผมโดนหมากัดในขนาดนี้ตกลงบุญช่วยตรงไหนคํานี้ต้องให้เครดิตคุณแม่ผา น, นิดคุณแม่ผา น, นิดบอกแล้วก็สอนว่าลูกถ้าเกิดเธอไม่ไปทําบุญเธออาจจะไม่ปวดฟันตอนนี้ก็ได้ใช่ไหม ก็ดีสิคะหนุ <con> ่จะไม่ได้ปวดฟันใช่แต่ด้วยวิบากของเธอเธอต้องไปปวดในปริมาณนี้ตอนช่วงอายุ75หซึ่งตอนนั้นเธออาจจะไม่ไหวใช่ไหมปวดตอนนี้เธอยิบห้าเธอยังรับไหวเธอจบจบกันไปแล้วกระเป๋าตังค์หายห่อคะเธอจะเอาอะไรระหว่างกระเป๋าตังค์กับแขนซ้ายของเธอจริงหรอคะฌานไม่รู้ก็ทุกอย่างเป็นไปได้ใช่ไหมล่ะอ้าวใช่ไหมล่ะ แล้วถ้าเกิดแล้วหนูล่ะคะหนูไปปฏิบัติธรรมแล้วสามีหนูเลิกไปแปลว่าอะไรคะยิ่งบุญใหญ่เลยยิ่งบุญใหญ่เลยเขาดีกับหนูหนู่นเลคะเอาเถอะจะบอกให้ฟังนะจะดีขนาดไหนต้องมีพัดภาคไม่จากเป็นก็จากตายใช่หรือไม่จริงๆเขาอาจจะต้องจากเธอไปในวันหนึ่งก็แล้แต่แต่ถ้าเกิดจากในวันที่เธอไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยแล้วเธอไม่มีสติปัญญาเลยเนี่ยเธอจะคิดอะไรไม่ออกที่อาจจะเปกระโดดส้วมตายก็ได้ แต่ตอนนี้เธอออกมาปั๊บธรรมะจัดสรรไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญตรงนี้เกิดขึ้นในขณะที่เธอมีสติสัพชัญญานี่สุดยอดมากมเลยจริงหรือคะจริงเหรือค ะ, เ, อคะเนี่ยเป็นมีคนหนึ่งแม่ตายร้องไห้ไม่หยุดท่านผู้ฟังร้องไห้ไม่หยุดเราบอกหยุดร้องได้แล้วนะไม่ค่ะแม่หนูเป็นคนดีแม่แม่เธอเป็นคนดีแม่เธอไปอยู่บนนู้นแล้วตรงไหนคะต้นมะม่วงเหรอคะบอกอีบ้าแม่เธอเป็นพเพลี้ยเหรอพูดไปได้ต้นมะม่วง นู่นสูงนู่นครูก็ชี้เตี้ยไปหน่อยนู่นบนนู่นแบบตอนไหนครับบุนสวรรค์อยู่บนสวรรค์แล้วแม่เธอสองที่พระเนตรลงมาแล้วเห็นเธอแหกปากร้องไห้แบบนี้และคุณแม่เธอจะมีความสุขไหมนะอา้าวก็หนูอะค่ะเขาพูดอย่างเงี้หนูอะไม่ได้เห็นใจตอนแม่หนูอยู่หนูรักแม่ดีแล้วโมทนาสาธุบุญของเธอนะที่เธอไม่อยู่ตอนแม่เธอเสียอ้าวอาจารย์พูดแบบนี้แปลว่าอะไรคะเธอรู้ไหมถ้าเธออยู่ตอนแม่เธอเสียเนี่ยเธอจะทําอะไรหก็ต้องร้องไห้นั่นสิ เธอน่ารักเธอเป็นคนดีแต่เธอปัญญาอ่อนเธอรู้ไหไปแหกปากร้องไห้ตอนนั้นแม่เธอจะไปไหนใช่ไหมแม่จ๋ามีสติแม่จ๋ามีสติเธอยังไม่มีสติเลยใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นแล้ววันนั้นคุณถามจริงๆแล้วเธอไปไหนก็หนูไปทํางานสิคะเธไปทำหาสวรรค์วิมารไดแม่ป่วยก็หนูไปทํางานเพื่อหาตังค์สิค่าอาจารย์งั้นสิต้องโมทนาสาทุกกรเธอเธอไปทําหน้าที่ที่ดีที่สุดแม่ไม่ว่าสักคํำและธรรมะจัดสรรให้เธอไม่อยู่เพราะตอนนั้นเธอไม่มีสติ ทุกสิ่งทุกอย่างมีจังหวะและการจัดสรรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในโลกมนุษย์ใบนี้เพราะฉะนั้นให้เข้าใจตามความเป็นจริงมองในแง่ความเป็นจริงที่หนึ่งก่อนและมองในแง่บวกเพื่อเป็นการจัดลงใจจะมีความสุขมากใช่หรือไม่อะไรที่มันเกิดขึ้นมันเป็น external factor เธอไปบังคับบัญชามันได้หรือเป็นไปไม่ได้หัวเข่าเธอยังไม่ใช่ของเธอเลยจริงไหมไม่นี่หัวเข่าหนูอ่ะเธอปวดเธอบอกเลยนะหยุดปวดมึงหยุดปวดแล้หยุดเดี๋ยวนี้ หยุดเลยเดี๋ยวนี้มันหยุดไม่ล่าแล้วใจเธอที่บอกว่าทําใจทําใจถ้าทุกคนทําใจได้จะไม่มีคนมีความทุกข์ใช่ไหมท่านผู้ฟังทุกคนจะเฮฮาป่าแตกมีความสุขเริงล่าท้าลมร้อนคันคาราดิล์กันทั้งหมดเลยแต่มันทําไม่ได้ทําใจไม่ได้ไม่ต้องจดลงไปนะค้าคำว่าคันคาราดิล์เนี่ยรู้สึกชอบคำนี้กันมากๆคันคาราดิล์เนี่ยเป็นน้องของฉิมบุมอีกทีนึงครัะนะนะครับอู้ตายพระเจ้าช่วยนี่สามโมงครึ่งแล้ว เพิ่งถึงสไลด์ที่1ที่2องพระเจ้าเตรียมมา4 0 5สสไลด์ผ่านไปเป็นชั่วโมงเพิ่งถึงสไลด์ที่2ตายแล้วตายตายตายแต่ต้องขอเช่นชมนะครับท่านน่ารักมากไม่มีใครลุกไปไหนไเลยเลยถึงไปก็รีบกลับมาเพราะบางที่ไปบรรยายนะเดินอยู่เนะี่ยเดินสังค้อะแสงหาแรงน้มถ่วงเดินท่านนี่น่ารักมากไปปั๊บก็รีบเข้ามาน่ารักมากบางคนบอก อยากไปเหมือนกันแต่กลัวปากมึงแหละอยากไปเหมือนกันนั่งหักนายอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยต่อเลยนะถ้าเบรกแล้วเดี๋ยวขาดช่วงภาพนี้แปลว่าอะไรครับอ่าคุณครูลุงอรุณยกมือครับคุณครูลุงอรุณอยู่ตรงไหนครับการเรียนให้กำลังใจคุณครูครับคุณครูต้องมองภาพนี้แปลว่าอะไรครับภาพนี้แปลว่าอะไรครับติงบิเกอร์ครับคุณครูอ่โทษครับภาพนี้แปลว่าติงบิเกอร์แปลว่าคิดห่งใหญ่จริงไห แปลว่าอะไรครับคือ sales confident คือความมั่นใจในตัวเองอย่าคิดอย่างนี้เอาให้กําลังใจครูเลยนะครับคุณครูเป็นครูผมก็ครูกับเรนท่านพออ๋อครับทุกคนที่เป็นครูทุกคนเลยนะอย่าหวังรวยเป็นไปไม่ได้อันนี้ให้กําลังใจอันนี้มึงให้แล้วเหรอกําลังใจอะ่ะนนี้ให้แล้วเหรอรวยแต่ลงนรกรวยแต่ไม่มีความสุขแล้วรวยไม่ได้กุศลจะรวยไปหาพระแสงดํายาวอะไร แต่อาจารย์ไม่ได้สร้างคนธรรมดานะอาจารย์กําลังเพา ะ, มะเมล็ดเมล็ดพันธุ์ที่เป็นจะเติบโตเข้าไปคืนกําไรสู่สังคมนะอาจารย์สอนเข้าไปตั้งแต่อนุบาลคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นหญิงจะเป็นชายถึงเวลาวันอะไรแต่ต้องมากราบเท้าครูใช่หรือไม่ครูนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นวิศสวสถาปัตบ้าบออะไรก็แต่ทุกอาชีพดีหมดแต่ทุกคนต้องมีครูใช่หรือไม่ผมนี่อยากเป็นครูตั้งแต่สามขวบเลยนะ ไม่มีบุญเป็นครูไม่ได้นะจะบอกให้จริงๆอาจารย์ต้องคิดถึงข้อนี้นะกระดงกันเดอือนอาจารย์ก็โอเคนะสบายแล้วเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเราได้จริงไหมแต่อาจารย์ที่นี่ก็ทราบมาว่ารวยๆทั้งนั้น <laughs> เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อพ่อหลวงนะครับอ ย, อยากได้กระเป๋าสองใบเราก็ซื้อใบเดียวแล้วไปกองหน้ากระจกก็เป็น2ใบโอเคไหมคะได้ม ا? ดีจะซื้อทไมสใบใบเดียวพอ อยากกินลิ้นจี่แต่ลิ้นจี่แพงซื้อเงาะมาถอนคนเข้ามือลิ้นจี่เลยได้ไหมได้โอเคนะคะตามนี้ตามนเศรษฐกิจพอเพียงเพราะนั้นภาพนี้คือความมั่นใจใครเขาถามมากทําทงานอะไรอยู่ตอบไปเลยว่าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์โรงเรียนรุ่งอรุณอาจารย์เป็นคุณครูนี่เลิศมากนะล้านที่สองเป็นครูสถาบันไหนอีกด้วยนะ บางคนเป็นครูลงสถาบันนี้คนเขาบอกือไม่ใช่ว่าหือว่าเก่งนะหือแพง <c oughs> บางที่อ่นึกออกไหมบางที่ไงแต่ที่นี่ถามว่าโอเคไหมเป็นครูลุงอรุณสอนธรรมะด้วยโอเคด้วยไม่ทําร้ายผู้ปกครองเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนี่เก็บนั่นอยู่ตลอดเวลาไม่ทําสอนเรื่องของธรรมชาติ การทำอยู่กับธรรมชาติอย่างไรสอนให้เป็นคนดีมีความสุขสอนให้เอาตัวรอดได้สอนให้พายเรือใช่ไหมสอนให้ลงไปในน้ำโดยไม่มีชูชีพเห็นไหมคะแต่มีครูดูอยู่มีครูดูอยู่นะปรากฏว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพอครูลงไปเด็กขึ้นมาครูจมเราจะสอนหมดเลยสนุกสนานเฮียคาทตย์เพราะฉะนั้นเวลาคนถามบอกว่าคนแเขาเรียกว่าอาจารย์โอภาษ ผมจะชื่นใจดต็ตอรอภาษ์ชื่นใจดต็ตอรอภาษ์ยังชื่นใจน้อยกว่าอาจารย์นึกออกไหมครับคนเป็นอาจารย์เป็นครูเนะ่ยเลิศจะตายใช่หรือไม่มทำทํางานอะไรผมทำงานสนารพัดเยอะแยะไปหมดเลยแต่ผมจะชื่นใจบอกว่าผมเป็นอาจารย์ผมสอนหนังสือสถาบันนั้นสถาบันนี้มันชื่นใจกว่าอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์มองภาพนี้แปลว่าติงบิเกอร์แป ล, แปลมีความสุขเราเป็นแมวเราส่งจกว้าวเราเป็นสิงโตว้าวใหม่ากแลยนะว้าวเราคือสิงโตแต่ไม่ใช่เราเป็นสิงโตส่งตตสงตสองจกกูแมว ไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองอาจารย์เวลาไปซื้อส้มอาจารย์มักจะถามแม่ค้าที่ขายส้มถามว่าอะไรคะใช่แปลกมากเลยหวานไหมคำตอบคือาถามหาอะไรไม่ทราบว่าถามหาอะไรมีแม่ค้าบอกไหมส้มหรอคะโคตเปรี้ยวเลยเมื่อกี้มีแมวมาเลียแล้วตายคาที่เนาะมีไว้โชว์ไม่ได้มีไว้ขายอย่างเงี้ยมั่นใจมั่นใจตัวเองนะครับมั่นใจเนาะ ภาพนี้ครับอาจารย์วันนี้กาบเรียนเผื่ออาจารย์ไปสอนต่อนะครับพอดีผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาก็พูดดีมากอันนั้นพูดเรื่องเรื่องอาจารย์เขาได้ยินคำนี้แน่นอน NLPNLP Neuro Linguistic Program การสื่อสารกับเรื่องจิตสมองตะวันตกเขาเอามากันใหญ่เลยครับคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ครับคืองี้บอกตัวเองยังไงเป็นยางนั้นสะกดจิตฮิปโนซิสลงไปในจิตใต้สานึกครับ บอกเด็กๆมีผลไหมมีบนมีมีผลครับมีผลแต่ต้องกาบเรียนนะครับยังไงก็แพ้ศา ส, สนา NLP ถ้าบวกด้วยบุญต้องบวกด้วยบุญนะโลดเลยจริงแต่ถ้าไม่บวกด้วยบุญด้วยการทำคุณงามความดี NLP เรื่องที่ไม่ดีเป็นไปได้ไหมได้ใช่ไหมครับอยากรวยแล้วรวยจริงๆแต่รวยจากการโกงบ้านกินเมืองทุจริตยูฟันนึกออกไหมคะหลุดปากไปได้อย่างไร การโกงเขาอะไรเขาอันนั้นอยากรวย NLP จนกระทั่งรวยจริงแต่มันผิดใช่หรือไม่สรุป NLP ก็ได้แต่ต้องบวกกับการกระทำคุณงามความดีและบุญกุศลอาจารย์บอกเด็กๆเลยนะครับต้นไม้ที่เด็กๆเห็นในโรงเรียนรุ่งอรุณทั้งหมดทั้งปวงนี้มีมะม่วงไหมครับมีอะไรต้นต้นไม้ที่เป็นผลไม้รับประทานมีอะไรบ้างครับมีกล้วยมีขนุนมีอะไรสรพัดเลยนะครับมีแคนตาลูปใช่ไหมครับมีเชอร์รี่มีไลเบอร์รี่มีสรพัดเลยนะครับ กาบเรียนนิดหนึ่งผลไม้จะอร่อยหรือไม่อร่อยมันอยู่ที่กิ่งอยู่ที่ก้านอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่อะไรกันแน่ถูกครับถูกครับไปบอกเลยนะบอกนะครับบอกลูกๆทั้งปวงลูกรูปไม้ผลไม้จะอร่อยหรือไม่อร่อยก็แล้วแต่มันอยู่ที่ตรงนี้ลูกนะรากแข น, แนงรากแก้วรากขนอ่อนที่จะต้องเอานําพาดินดีๆปุ๋ยดีๆเข้าไปแล้วก็บรุงจนกระทั่งกลายเป็นตรงนี้ตัวอย่างที่2คือพิมพ์ชื่อนะครับลงในคอมพิวเตอร์พอพิมพ์ออกมาปริน้นออกมาปั๊บมันผิด พอมาผิดปับ๊บเราก็าเอาล บ, ลบๆใช่ไหมเอาอย่างลบๆบๆ บ, ล บ, ลบแล้วก็ปิ้นอีกทีมันก็ผิดอีกก็ลบใหม่ๆๆๆ่ตกลงเนี่ยมันเบสิกง่ายๆถ้าจะแก้มันต้องไปแก้ที่ใดครับแก้ที่โปรแก ร, รมใช่หรือไม่ไปแก้ตอนที่มันออกมาไม่ได้คือผลผลิตของผลไม้แก้ไม่ได้สิ่งที่มองไม่เห็นมักเป็นสิ่งที่กําหนดสิ่งที่มองเห็นเสมออาจารย์คุณพอ่อคุณแม่จ่ายค่าอะไรสูงสุดที่บ้านจ่ายค่าอะไร ค่านา้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าหนังสือพิมพ์ค่าขยะค่านุนค่านี้ค่าอะไรสูงสุดครับค่าไฟเรามองเห็นตรงนี้ว่ามันสว่างแต่เราไม่เห็นกระแสไฟเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆเรารู้ใช่ไหมครับว่ากระแสไฟมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เห็นล้วนทรงอํานาจเสมอใช่ไหมในเรื่องของนามมาทําก็คือเรื่องของจิตใจและโปรแกรมนั่นเองเพราะฉะนั้นลูกอยากจะเก่งอยากจะเป็นคนที่มีความสามารถสอนลูกสิทธิ์ให้ NLP บอกตัวเองในทางที่ถูกที่ควรแต่ต้องเดินหน้ากระทําด้วย คิดโดยไม่ทำเสียเวลาคิดแต่ทำโดยไม่คิดเสียเวลาทาจริงไหมครับเช่น <_ an> บางคนบอกว่าอยากลดความอ้วนอยากลดความอ้วนแต่กินไปกอดมันไม่อ้วนมือนี <_ an> สุดท้ายเป็นไงตัดหัวปั๊บทำโอ่งได้เลย <_ an> ใช่ไห ม, ม <_ an> ไม่ได้ว่าอะไรใครจวหุ่นดีหมด <_ an> นะครับเอาภาพนี้มากลับเรียนฝากนะครับต้องแก้ที่โปรแกรม ค, ความคิดจิตสานึก จิตใต้สํานึกด้วยความเคารพครั บ, รบถ้าเป็นไปได้คุณครูสอนลูกศิษย์ด้วยเรื่องของคอนเทียสกับอันคอนเทียสจิตสํานึกจิตใต้สํานึกและที่แรงที่สุดคืออยู่ลึกเลยแล้วอยู่เป็นตัวกิเลสตัวที่หนาแน่นที่สุดเลยต้องแก้ตัวนั้นจึงจะมีความสุขและพ้นทุกข์ได้คือจิตไร้สํานึกอันนี้ต้องต้องเรียนกันนิดหนึ่งวิปัสสนานี่แก้ไปถึงนี่เลยนะจิตไร้สํานึกเลยจิตสํานึกแปลว่าไงครับท่านควรไม่ควรความควรไม่ควรแค่นั้นเอง นะมันนิดเดียวแต่จิตใต้สมึกอันนี้ก็หนักอา้าวนิดสนิดก็ได้ครับห้องเก็บของที่บ้านของคุณแม่ของคุณครูจะเก็บของอะไรไว้สารพัดเลยใช่ไหมพอเปิดมาปับ๊บก็จะหยิบของนั้นมาใช้ถูกไหมครับถ้าห้องนั้นเก็บหนังสือพระหนังสือธรรมะเก็บพระไตรปิฎกเก็บของดีๆีเบญจรงเพชรพลอยทองเมื่อเปิดห้องมาปับ๊บของที่หยิบมารวนแล้วแต่ทรงคุณค่าและมีคุณงามความดีหมดเลยใช่หรือไม่แต่ถ้าเกิดห้องนั้นหนังสือระมกเหล้าเบียร์บุหรี่ยาพิษ ปืนมีดไม้เก็บของเหล่านั้นไว้พอเปิดมาปั๊บก็หยิบเอาของเหล่านั้นมาใช้ใช่หรือไม่นี่ไงครับบางทีเราจึงปากร้ายท่านเป็นไหมบางทีจึงปากดีบางทีจึงทําดีบางทีจึงทําททไม่ดีเพราะในจิตใต้สตกเราบันทึกและเก็บของไว้เยอะโดยไม่ได้เลือกเลยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สกรีนถ้าใครนินทากันฉันไม่ฟังนะนั่งกันอยู่หคนนึกออกไหมครับคนนึงรู้ไปฉี่เอาเลย สี่คนที่เดือ ด, ด, ด, ด, ดนั่นเป็นศพคาส่วมเลยถามว่ามีใครไปฉีกไหมไม่มีนี่เธอถ้าเกิดไปฉีกนั้นไปพร้อมกันกลัว <c oughs> เป็นศพลายต่อไปต่อไปนี้นะฝากบอกลูกๆกันนะครับบอกบอกน้องๆ ล, ลูกๆด้วยมวยปล้ำห้ามดูโอเคไหมครับมวยปล้ำจก่อนชอบมวยปล้ำมากและบันทึกความรุนแรงเอาไว้หนังสงครามห้ามดูเร็วๆนี้หนังเกี่ยวกับพงศสวดาดประวัติศาสตร์ไทยที่เพิ่งจบไปดีมากเรื่องอะไรครับ บางรจันดูใช่ไหมน้ําตาไหลใช่ไหมไอทัพเนี่ยน้ําตาไหลกันกระหน่าแตกดีไหมเขาทําขึ้นมาเพื่อให้รักชาติแต่ขอโทษในขณะเดียวกันเวลาตอนดูนี่เชียไหมเชียไหมเชียอะไรครับเชียให้ฆ่าใช่ไหมเชียให้ฆ่าพมา่าใช่ไหมบางคนดูจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ปิดฉากไปเนี่ยถนนโล่งว่างหมดทุกคนกลับไปดูบา ง, บางรจันใช่ไหมครับหลือตอนนี้ที่คืออวสานหงสา ใช่มดูปับบางคนน้ำตาไหลมันอินมากกลับมาบ้านปับตบคนใช้สลบคนใช้เป็นพม่ามึงเป็นญาตินอนเปี๊ยะบาเยงใช่ไหมนี่ไอ้นี่รู้ไว้เลยนะกูนี่หลานตองเจมึงรู้เลยไม่ต้องกินข้าวเลยไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินเลยพม่าบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอินมากเพราะฉะนั้น หนังยิงหนังแทงหนังอะไรบ้าบ้าบอวไม่ให้ดูไม่ให้ดูดเอาแล้วตกลงให้ลูกดูอะไรการ์ตูนก็ต้องดูการ์ตูนที่ยิงกันฟันแทงก็ไม่เอาให้ดูรายการสบายๆนะครับโอเคไหมเล่นเกมที่มันยิงกันและแข่งขันไม่ต้องแล้วฝากอีกข้อไม่รู้จะเห็นด้วยหรือเปล่านะครับโรงเรียนทั้งหลายชอบส่งเด็กไปแข่งนะครับพ่อแม่ชอบส่งเด็กไปแข่งไปแข่งนู่นนะครับร้องเพลงรายการนั้นรายการนี้ไม่ได้ว่าอะไรไปออเดชั่นเป็นหมืน่น ชนะคนเดียวแล้วคนที่เหลือมีใครเยียวยาหัวใจเขาบ้างไหมมีใครเยียวยาหัวใจเขาบ้างไหมแล้วอ e ีคอมเมนเตอร์บางคนคอมเมนต์เด็กสเลตเลยด้วยถ้อยคํารุนแรงและหยาบคายทั้งที่ตัวเองไม่มีความรู้แม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามีรูปมีรันไม่ให้ไปอยากร้องเพลงร้องไปถ้าแข่งไปแข่งคาราโอเกะแถวบา้านเอาไม่เอาเพราะการแข่งขันต้องบอกนะครับว่าการแข่งขันทําให้มีการทะเยอทถยาน ดีในบางกรณีและไม่ดีในบางกรณีกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษถูกต้องยกเว้นการแข่งขันเมื่ อ, อไหร่มีการแข่งขันทะเลาะ ก, กันไหมล่ะเมืองไทยเก่งกีฬาอะไรบ้างครับตอนนี้บอลเริ่มบอลมาเยอะใช่ไหมเอฟเอฟซองเอฟซีมันเป็นธุรกิจแล้วเมืองไทยเก่งบอลมากคนไหนเก่งบอลคนนั้นจะเก่งมวยไปด้วยถูกไหมคร <laughs> แต่อันนั้นต้องน่าชื่นชมกีฬาอะไรครับที่ทํางานเป็นทีมสามารถเอามาใช้กับลุงอรุณได้วอลเลย์บอลใช่ไหมครับเราสามารถชนะประเทศที่ใหญ่ๆได้ เวลาปึ้มจิตถินเขาตีปับป๊บตบปับ๊บลงไปปับ๊บเนี่ยเขาจะมาทําไมกันแตะมือกันแต่ทําไมครับว้าวให้กำลังใจใช่ไหมครับให้กำลังใจแต่ถ้าเกิดตีออกล่ะตีออกลูกหนึ่งก็ตีออกอีกลูกหนึงตีออกอีกเขาก็ยังมาแปะมือกันใช่ไหมกองก็คร o s เข้าไปนะครับเขามาแปะมือกันเขาพูดว่าอะไรครับอีนี่นี่ออกหลายลูกแล้วมึงเนี่ยเดี๋ยฮะมึงกินวัวกิกนควายก็ไปเหรอแรงเยอะขนาดเนี้ย เดี๋อีลูกนึงไปเสิร์ฟสนามนู้นเลยนะไปเสิร์ฟสนามนู้นเลยนะจะได้ลงพอดีนี่นไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคนะมาดูภาพต่อไปคํานี้น่ารักครับเนี่ยเมื่อกี้นั่งรถมาบริษัทหนึ่งก็เชิญบรรยายปั๊บเอาเรื่องนี้ห้0รคน SCB ซีบีธนาคารไทยพาณิชย์เชิญเรื่องนี้เลยครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพื่อศักยภาพในการทํางานเชนคานี้ใครพูดบ่อยมากบา巴拉克โอบามาตอนที่เขาได้เพราะคํานี้คําเดียวเลยนะ แลวตอนนี้เขากำลังจะถูกออกไปเพราะเช็เหมือนกันเห็นไหมคนเราก็ทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงกย่เปลี่ยนท่านนะครับคำว่าเชสเนี่ยมันแปลว่าเราเปลี่ยนกับเราถูกเปลี่ยนใช่ไหม อ, อย่าให้ใครมาเปลี่ยนเราเลยเราเปลี่ยนของเราเองดีกว่าแต่ฝากไว้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างอะไรที่ดีไว้ใช่ไหมครับคุณแม่เราก็เก็บไว้แต่อะไรที่ไม่ดีปรับปรุงและให้คิดเลยนะไม่ต้องอายใคร เด็กเดี๋ยวนี้เจอวัดถ้จะไหวก็ต้องมองก่อนมีใครอย่างนี้นะเขากลัวถ้าเกิดว่าไหว้วัดไหว้สุเหล่าหรืออะไรก็แต่จะมองว่าตายแล้วเฉยเป็นอย่างนี้บางคนเพราะฉะนั้นต้องสอนลูกอะไรที่ทําแล้วดีช่วยเหลือคนอื่นอย่างที่คอนเซปต์ของโรงเรียนรุ่งอรุณทําเลยไม่ต้องแคร์สื่ออยากช่วยใครทําเลยลูกแต่ต้องมีสติปัญญา น, นิดหนึ่งนะเนาะวันนั้นหนูช่วยดีมากเลยค่ะคุณแม่หนูช่วยคนตาบอดข้ามถนนช่วยนานมากเลย ทำามล่ะลูกเขาไม่ข้ามหนูจะให้ข้ามให้ได้เจตนาดีมากทำไมล่ะลูกหนูเดาว่าถ้าตาบอกต้องข้ามถนนแน่นอนลูกเรียนเยอะสูงไปแล้วนะลูกลูกคุณธรรมสูงลิ้วเกินต้องมีสติด้วยนะคะอืมอืมคะเจ็วิธีสู่ความสุข ก, กับเรียนท่านคิดด้วยสมองให้น้อยคิดด้วยหัวใจให้มากเอาตรงนี้ก่อนกลัวให้น้อยผมไม่ชอบข้อ น, นี้ข้อเดียวกลัวให้น้อยอันนี้ดี แต่รักให้มากต้องบอกให้นะครับว่ารักให้มากต่อไปนี้ใช้คําว่าปรารถนาดีดีกว่าถ้ารักมากๆบรรบันทึกถูกไหมครับแล้วมันผูกพันภาษาไทยนี่เจ๋งมากผูกไม่พอนะดันพันอีกต่างหากใช่ไหมแล้วยืดไม่พอนะกติดเลย <c oughs> แล้วเป็นไงล่ะทรมานอันนี้เล่าให้ฟังผมมีลูกบุญธรรมเพิ่งจะเสียชีวิตไปโอ้โหตอนนั้นร้องไห้แทบตายเสียใจแทบตายนั่นรักมาก ไม่เป็นญาติเป็นอะไรกันเลยนะครับแต่ก็รักนี่ผ่านมาได้ไม่กี่วันเองนะยังไม่ครบเดือนเลยนะแต่ก็เริ่มไม่ใช่ทําใจเริ่มเข้าใจในคุณแม่ผ่านนิดช่วยใครๆช่วยอย่างน้อยก็คือเริ่มเข้าใจนึกออกไหมครับไม่มีใครไม่ตายจริงไหมเขาเพียงแต่ไปเป็นผีรุ่นพี่เท่านั้นเอง <c oughs> นะครับบ่นให้น้อยทราบซึ้งให้มากมัวนั่งดูให้น้อยลงมือทําเองให้มากตัดสินให้น้อยยอมรับข้อนี้ผมชอบอย่าตัดสินใครเด็ดขาด ต่อไปนี้ความสุขในการทํางานประการหนึ่งคุณครูคุณพ่อคุณแม่อย่าตัดสินอะไรใครเราเห็นแบบนี้อาจไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมเล่าเรื่องรถไฟฟ้าให้ฟังมีคุณพ่อคนนึงอยู่รถไฟฟ้าหน้าตาหมองเศร้าและลูกคนหนึ่ง9ขวบกับ13ขวบตีกันบนรถไฟฟ้าคนก็ลาคาญถามจริงๆลาคาญใครลาคาญพ่อเพ่อะอะไรครับผมเพราะพ่อไม่เตือนเลยใช่ไหมแล้วทําไงดีก็มีสุภาพสตรีคนหนึ่งเนี่ยนะ เป็นหน่วยกล้าตายเห็นแล้วอาขายหลายคนมองด้วยสายตาไม่ค่อยดีเลยเป็นตัวแทนเดินเข้าไปบอกทําไมคุณไม่รู้จักดูแลลูกเลยคุณพ่อทํางี้คุณพ่อทาอย่างนี้ได้ยังไงคุณพ่อท่านนี้ทำไงรู้ไหมครับเอามือลงมาแล้วยกมือไหว้ขอโทษนะครับขอโทษทุกคนเลยผมไม่สามารถดูลูกผมได้เพราะว่าลูกของผมหัวใจเพิ่งแตกสลายไปเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วแม่ของเขาเพิ่งประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเรากําลังจะกลับไปบ้านเพื่อจัดการ เอาเอกสงเอกสารแล้วมาจัดการงานศพให้แม่ของเขาผมต้องขอโทษทุกคนด้วยครับเป็นไงคราวนี้สายตาทุกคนมองไปที่นี่คนเดียวเลยค่ะจะมาคิดเป็นวีรสตรีเป็นไงแซ่แหลนเรื่องชาวบ้านมึงปากดีเห็นไหมอะไรก็ไม่แน่ใช่หรือไม่เรื่องนี้เนี่ยดีมากผมชอบมากคือเราคิดไปอย่างแต่จริงๆมันเป็นอีกอย่างใช่ไหมครับต่อไปนี้อย่าตัดสินใครเลย ไม่ตัดสินใครมันเป็นเช่นนั้นเองเขาก็เป็นอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครฟังเรื่องนี้แล้วท่านได้ขึ้นรถไฟฟ้าปั๊บแล้วเนี่ยแล้วท่านเจอเหตุการณ์แบบนี้คนอื่นเขาอาจจะงุนกิจแต่ท่านจะสบายถูกไหมครับท่านอาจจะยิ้มแล้วก็เดินไปบอกดิฉันเข้าใจเมียตายใช่ไหมคะเห็นไหเราโอเคเลยเขาบอกอะไรอะไรอะไรอะไรนะคะอาจจะสับสนนิดนึง พูดให้น้อยฟังให้มากหน้าบูดให้น้อยยิบให้มากแต่ผมชอบข้อแรกเอาข้อแรกนะครับคิดด้วยสมองให้น้อยคิดด้วยหัวใจให้มากทับบูฟังครับอยู่โรงเรียนรุ่งอรุณใครอยู่รุ่งอรุณคุณครูเนาะทั้งอนุบาลประถมและก็มัธยมท่านใดสอนมาเกินกว่า3ปีโอ้ oh my god เอาใหม่นะครับเกินกว่า7ปีสุดยอดการที่เราอยู่มานา น, านๆนี่แปลว่าเรารักโรงเรียนใช่หรือไม่เอ๊ย <laughs> ยังไงชอบกัน บุกผอก็รักอะค่ะที่อยู่มานานเนี่ยมีที่มาแต่ยังไม่มีที่ไปนะคะก็อยู่ไปอะค่ะไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วถ้าเกิดรู้ว่าจะมีใครเป็นคุณครูมาสมัครงานที่โรงเรียนเราเราจะบอกว่าไงมาเลยที่นี่ดีจริงๆมาแทนพี่เลยนะ <laughs> พี่กระหังตัวแต่ไม่นะไม่อย่างนั้นใช่ไหมเวลารักใครสักคนถามจริงยาญ่าต้องได้เป็นแฟนกันน่าเดทต้องหล่อกระสวยเสมอไปปะครับ คนสวยกัคนไม่สวยเขได้แต่งงานก่อนไม่สวยเพราะเขาสมเพศเงี้ยเหรอคะอาแต่งแต่งแต่งเพื่อถวายเพื่อถวายเป็นพระรจุกุศลเงี้ยเหรอไม่อาจจะไม่สวยเลยแต่อยู่ด้วยแล้วเป็นไงคะใช่บางคนสุภาพสตรีสวยมากผู้ชายที่ยืนด้วยหน้าเหมือนศพหงุดหงิดยนมากบอกเวาลารถชนกันอย่าไปแถวนั้นเดี๋ยวปอตึ้งเก็บผิดเอาศพนั่งหน้าอยู่นี่นั่งหลังอีกงง คุณสุภาพสตรีเลือกคุณผู้ชายคุณพ่อของลูกเนี่ยด้วยนิสัยหรือหน้าตาแน่ใจนะฮะโอเคคุณครูท่านใดที่ยังไม่มีคู่พี่เมย์ครับมีเยอะๆเลยเนาะเดี๋ยวแนะนําให้คนหนึ่งนิสัยดีมากแต่ตากับหูสลับที่กันลูกออกมาเอเรียนไม่เนาะอืมนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาก็ต้องพอหน่อยนะแล้วก็นิสัยต้องดีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ วันนี้ท่านที่เป็นสามีกลับไปกรุณากอดภรรยานะเขาเรียกรักด้วยหัวใจแต่ถ้าเกิดรักด้วยสมองเอาวันนี้ลองทสสอบอนุญาตครับท่านใดที่สมรสแล้วยกมือครับกลับไปวันนี้นะครับถามคู่ของท่านนะรักฉันเพราะอะไรเนี่ยแต่งงานกับฉันเนี่ยสามีบอกไปเรียนอะไรมาเนี่ยฮะ <laughs> เออนะ่ะตอบมาอาจารย์ค่มาถาม ก็อกก็ฉันรักเธอเพราะเธอเป็นคนดีเธอมีศีลมีธรรมเธอเป็นแม่ที่ดีของลูกเธอมีความกระตันอยู่เธอทํากับข้าวอร่อยสุดยอดเลยตอบแบบนี้ดีหรือไม่ดีครับไม่ใช่ไม่ดีแต่อันนั้นด้วยสมองหรือหัวใจถูกครับมันมีคอนดิชันมันมีเงื่อนไขรักเพราะจุดจุดรักเพราะจุดๆไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับตอบแบบนี้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดท่านกลับไปแล้วถามบอกว่าเน่รักฉันเพราะอะไรแต่งงานกับฉันเพราะอะไรเนี่ยสามีบอกเอาจริงเหรอถามจริงเหรอเนี่ย ตอบมาตอบมาแปดปีที่แต่งงานไหบอกตรงๆนะนึกไม่ออกไม่ออกเลยปากดีตอบมาเพราะอะไรเธอรู้ไหมตอนแรกเธอก็สวยทีแต่ปล่อยตัวมากเธอดูหน้าเธอจะไดดูได้ไหมตอนนอนเนี่ยเอามาเขือบ้าบอมาแปะแต่งโกงแต่งกว้างถ้าเอาทูน้าลงไปยำได้เลยเธอไม่รู้ตัวเลยบางทีเหมือนซากศพซีดมากเวลาไม่แต่งหน้าซีดมากหน้าเหมือนศพเธอพูดเกินไปจริง เธอไม่รู้อะไรเธอตอนตอนเธอนอนนะถ้าเอาสําริยัตใช่เลย <l ots> ฉันเอามือไปลองที่จมูกด้วยนะยังดีมันมีลมออกมาบ้าง <l ots> ตอนเธอหนาวฉันก็เอาผ้าขาวหอมให้เธอรู้ไหม <l ots> ตอนเธอหาวแล้วบางทีฉันเอาแกางเอาเหรียญบาทหยอกเธอไม่รู้อะไร <l ots> ตอนเธอละเมอเอามือออกนอกเตียงนะฉันลดน้ําเรื่อยเลยเธอไม่รู้อะไรไม่รู้สึกเลยแต่ว่าตอนเช้ามันมือเปียกๆตื่นเช้ามาก็ฉัดน้ำฉอดน้ำมะพร้าวล้างหน้าเลย คุณแม่ไหวนะครับไหวนะไหวนะไหวนะโอ้โเขาว่าเราสารพัดแต่นี่ปากดีตกลงรักชั้นเพราะตรงไหนเนี่ยบอกทงๆนึกไม่ออกแต่รักเหลือเกินโอเคไหมโอเคไหมคุณพี่ผู้หญิงก็กระโดดหอมแก้มเลยสามีก็บอกไปไกลๆ <S <S ปากก็เหม็นด้วยนึกว่ารถ ด, ดูดส้วมไปความในปากอ่างั้นเดี๋ยวทำกับข้าวให้กินกับข้าวก็ไม่ต้องทา เธอไม่รู้เหรอสมัยหลังๆเนี่ยแค่เคาะกระทะมาก็คืนเคงทิ้งหมดเลยแต่รักกันด้วยอะไรครับขาดไม่ได้ฉันมีรูปเธออยู่ในกระเป๋าตังตลอดลาฉันถูกไล่ออกจากงานฉันเห็นรูปเธอฉันก็เกิดกำลังใจไฟไหม้บ้านฉันดูรูปเธอก็เกิดกำลังใจแล้วนี่ตกงานครั้งที่สี่ฉันดูลูปเธอก็เกิดกำลังใจเธอที่มันตัวช่วยมาก พูดเล่นนะครับดิพูดเล่นพูดเล่นฉันเกิดกับแรงใจอย่างนี้รักด้วยอะไรครับรักด้วยหัวใจรักด้วยหัวใจเพราะฉะนั้นรักโรงเรียนรุ่งอรุณรักด้วยหัวใจใครแตะต้องไม่ได้มีความสุขและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับข้บบามชาติผมอิจฉาคุณครูและคุณพอ่อคุณแม่ผู้ปกครองจริงๆนะนี่ไม่ได้แกล้งพูดเลยนะ50ไร่ที่อยู่ตรงนี้เป็น50ไร่ที่เป็นพื้นดินมหัศจรรย์ น, นะครับมีทางนะมาแล้วไม่นึกจะไาอยู่ตรงบางขุนเทียนนะ นี่นึกว่าอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงเขาใหญ่เหรอหรือว่ากาญจนบุรีเหรอมันเป็นรีสอร์ทนะสวยงามเข้ามาแล้วเนี่ยดวงจิตเบิกบานนึกออกไหมครับสบายดีมากๆจริงๆถ้าทุกโลงเรียนทำได้แบบนี้เชื่อไหมน้อ ง, องๆเด็กๆที่เรียนจะผ่อนคลายสมองเขาจะไม่ใช้ซีกซ้ายมากซีกซ้ายเราเรียกว่าเมมโมรี a แท้ซีกขวาเราเรียกว่าติแทงใช้แต่เมมโมรีแทงมากๆจะเป็นไมเกรน ทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนอินเนียใช้แต่ซ้ายคนพวกนี้จะใช้แต่ซ้ายแต่ครูลุงอรุณสบายเราใช้แต่ขวาบางคนบอกใช่พักผ่อนจนไม่มีเวลาทำงานพูดเล่นนะครับพูเล่นพักผ่อนไปด้วยทำงานไปด้วยนะนะประมาณนั้นนะครับเคล็ดลับสู่ความสุขคือทำในสิ่งที่รักแต่เคล็ดลับของความสำเร็จคือรักในสิ่งที่ทาจริงปะครับ อาจารย์บางท่านบอกชั้นเบือ่อเหลือเกินฉันไม่อยากเป็นครูในชีวิตฉันอยากเป็นแอร์โฮสเทดมีนะครับมีเพื่อนหลายคนเป็นเป็นแอร์โฮสเทดแต่ก่อนหน้านั้นเป็นสจวรนึกออกไหมคร <c oughs> และความกดอากาศมันเยอะหรือไงก็ไม่รู้ <c oughs> ก็เลยมาเป็นแอรมีเยอะเลออยอะทุกคนนะครับนะลูกศิษย์บางคนสูง150กว่าแล้วก็ไปสมัครเป็นแอร์โฮสเทดสอบข้อเขียนผ่านแต่สอบ สัมภาษณ์ไม่ผ่านเพราะว่าตัวเตี้ยกลับมาหนูผิดตรงไหนหนูผิดตรงไหนบอกหนูไม่ผิดหนูเตีย้ยหนูก็ใจม่กล้าทำไมหนูอยากเป็นแอร์เพราะว่าเป็นแอร์เหนื่อยมากเลยจริงไหมครับกาแฟร้อนไหมครกาแฟร้อนไหมครชาร้อนไหมครัชาร้อนไหมครนะร้อนไม่ร้อนก็มีนิ้วทิ่มดูสิงห์ถามอยู่ได้โอ้โหเจอผู้โดยสารปากไรต่างหากหนูชอบราคะอา่าถ้าเกิดว่าเธอชอบเป็นแอร์ไม่ได้ก็ลดลงมาไปเป็น Air ์พออเจได้ไหมครก็ได้เป็นแอร์เหมือนกันเลยโอเคนะคะอืม เพราะฉะนั้นคุณครูอยากเป็นอะไรผมไม่ทราบคุณครูบางท่านบางท่านอยากจะเป็นพยาบาลปัญญายโรงพยาบาลเยอะมากพยาบาลกับหมอเนี่ยใครยิ่งใหญ่กว่ากันถูกเพราะเราไปโรงพยาบาลใช่ไหมไม่มีไปโรงหมอเลยแล้วพยาบาลร้ายกาจมากพยาไปว่าใหญ่บานแป๊บบาลทั้งใหญ่ทั้งบาลร้ายกาจมากบางทีพูดจาไม่ดีนู่นนี่นั่นตลอดเวลาใช่ไหมแต่บางคนบริการดีมากผมเคยเป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลเซนหลุยขดีนใช่ไหมครับโรงบาลนี้น่ารักแพงแต่ไม่เลี้ยงไข้ รถมาจอดปับ๊บลงมาจากรถเท้ายังไม่ทันถึงพื้นรถฟืบทึงห้องหมอวิ่งถึงรถถึงห้องหมอเลยหมอถามคุณเป็นอะไรเป็นญาติผู้ป่วย <c oughs> ญาติผู้ป่วยหมอบอก <c oughs> แล้วมาทำไมญาติ <c oughs> ต่อไม่รู้คลับมา <c oughs> ก็มาหมอก็บอกหมอเข้าใจละ <c oughs> ถ้า ง, งั้นนั่งเฉยเดี๋ยวหมอหาโรคให้นะ นี่บริการสุดยอดเลยอ่ะต้องจบจากลุงกระลุนแห่งแน่นอนใช่มาปฏิพานใบลิบบิ้นะครับโอเคไหวไหมพักก่อนไหมคะโอเคค่ะนะเอาต่อเลยนะต่อเลยเนาะความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมกับเรียนครับอันนี้ฝากบอกทุกคนเลยนะครับอะไรที่รุนแรงที่สุดสมมุติใส่คำว่าปัญหาลงไปเป็นปัญหาความคิดปัญหาความรู้สึกปัญหาพฤติกรรมตัวไหนแรงสุดความคิดแรงที่สุด ปัญหาพฤติกรรมคืออย่างนี้ครับท่านอยากจะเป็นอย่างหนึ่งแต่ทําอีกอย่างหนึ่งนึกออกไหมอาจารย์ครับผมอยากได้ A วิชานี้อยากได้เอวิชานี้ต้องตั้งใจเรียนต้องมานั่งข้างหน้าต้องเลคเชอร์มีปัญหาแล้วถามคุณครูแต่สิ่งที่เธอทําเนี่ยมันสอดคล้องกับผลที่เธออยากได้ไหมเธออยากจะได้ A วิชานี้แต่ไม่เข้าเรียนเลยและเป็นงานเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่สาจดแดครับสองคนกับเพื่อนรวมกันเพื <c oughs> <c oughs> ่อนสามอีนี่จุดแดอะไรของเธอวะ แล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนถามซ้ําถามซากถามซ้ำนี่ครูยินดีบรรยายนะบรรยายที่บอกแต่ไม่เข้าเลยไม่อะไรเลยและไม่ตอบอะไรเลยและครูจะเอาคะแนนที่ไหนไปให้จริงๆนะครับเดี๋ยวนี้เขาวัดเขาเรียกว่าเกณฑ์ของสมองเรื่องของเบรนกันที่ว่าการตอบและท่านดูท่านดูข่าวไหมครับบางทีออกข้อสอบอะไรไม่รู้เละเละเลทะเ ท, ะทะบางทีออกเองงงเองคําตอบงงเองสับสนจริงๆข้อใดเจ็บที่สุดนะฉันลักหัวเขา หอผัวเขามาลักฉันคอหัวเรามาลักกันอะไรก็ไม่รู้วงไปหมดลเลิกเทอรไปหมดเลยนี่ข้อสอบนะเนี่ยนเพราะนั้นความคิดขอคํานี้ครับต่อไปนี้ว้าวโอเคไหมครับคุณ ค, ณคณรูรุ่งอรุณแล้วทุกไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นว้าววันนี้รถติดปับ๊บเจอรถติดว้าวสบายใจแล้วฟังจอส่อรรถติดเป็นวงกลมเลยค่ะคันแรกอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ที่รู้ๆคันสุดท้ายอยู่หน้าคันแรกไม่รู้อย่างอยู่คันไหนดีจังเลย วาไว้โอเคไหมคะอืมวาไว้ความรู้สึกดีครับความรู้สึกต้องดีและมีความสุขตลอดนะครับอย่างหัวเราะกันขนาดนี้ร่างกายหลังสารอะไรออกมาฟอมาลินนะครับเราก็จะสดอยู่ตลอดไปนะครับส่วนพฤติกรรมก็แปลว่าศักยภาพเจตนาดีทุกครั้งในการสอนเจตนาดีทุกครั้งในการทำงานเจตนาหางพิฆเวกามังวัามิเจตนาเป็นเครื่องชี้กำ จริงๆเอาปลาไปปล่อยกอเอาปลาไปปล่อยขอเอาปลาไปปล่อยเจตนาผิดกันยังได้บุญไม่เท่ากันเลยท่านคนนี้เอาปลาป้ามีปลากี่ตัวสิบสามตัวมาหนูตายแล้วหนูไม่เอาหรอกสิบสามตัวเอาสิบตัวพอเอาเหลือสามตัวแหละก็ไม่รู้ละปล่อยไปหนูไม่เอาหนูเอาสิบตัวพอไปปล่อยปั๊บเจอลมทงลำธารน้ํํานาเน่าก็ปล่อยอ่ะจบ ให้หนูเป็นเศรษฐีให้มีเดชามีปัญญาให้เจอกลุมทรัพย์ขอให้หายโรคหายภัยให้มีความสุขความเจริญขอให้ผัว ก, กลับมาขอให น, นุนนูนนี่นี่นี่แล้วก็ปล่อยไปอ่ะไปไปปลาช่อนอ่ะไปไปไปลุยสวนไปอ่ะไปลุยสวน <laughs> ปลาช่อนบอกกูจะไปดีไหมนี่อ่ะลุยสวนใจคนนึงอีกคนนึงไปซื้อปลาช่อนเหมือนกันครับปรากฏว่ามีกี่ตัวมี13ตัวสงสัยแม่หนูต้องซื้อสิบตัวเหมือนกับคนนั้นแน่เลยถือเลขถือรางใช่ไหมไม่หนูเอาหมดเลยค่ะปาขาถ้าเกิดว่าหนูซื้อสิบตัวแล้วสมตัวจะอยู่ยังไง มันก็ถูกคนใจชั่วทําซ้ายสิอาา่าวด่าป้าหรือคะนี่อหนูเอาหมดเลยก็พอซื้อไปสิาตัวพอซื้อไปปับ๊บปรากฏว่าไปเจอลำธารอันนั้นน้ําสกรปรกแบบนี้ไม่สมควรปล่อยเขาไปอีกไปขับไปตั้งไกลโอน้ําใสสะอาดเป็นที่อพัยทานสวดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายตรงนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการปลดปล่อยชีวิตเพื่อนที่เกิดแก่เจ็บตายขอให้เขามีความสุขความสบายใจ คือคิดจิตคิดจะให้จริงๆแล้วก็ปล่อยไปอ่ะไปนะไปนะพอปล่อยไปปาปาติหารเกิดปาไม่ไปไหนเลยวนอยู่ตรงนั้นน้ำตาไหลไม่มีอะไรมันงงน้ำมันยังไม่ไปมันงงกูเพิ่งออกมาจากกระป๋องเนี่ยเลยมันงงงงไอ้ยายนี่ก็คิดเป็นปาติหารนี่ยไม่เป็นไรน้ำตาไหลพราดดูซิปามาลา สักพักไปหมดเลยโอ้ยดีใจปื้มปิติมาหาอานิสงส์จริงไหมสองคนปล่อยปลาเบือนกันแต่ปลาคนที่ปล่อยปลาคนที่สองได้อานิสงส์มากใช่หรือไม่นะครับเจตนาเนาะพฤติกรรมบางทีอ่ะขออนุญาตครับผมจะไม่โอเคคนสุบริลุงอรุณไม่มีเลยใช่ไหมครับสุดยอดมากโมทนาสาธุนะครับคาขัดว่าสามีของท่านใดที่สุบุริขอระจานโทษกลับไปบอกด้วยเลยบอกว่าอาจารย์ก็าฝากมาบอกวิธีการเลือกบุรีง่ายที่สุด พอจุดปั๊บให้เอาข้างไฟดูดโอเคไหมคสามตัวเท่านั้นปากเปิด แ, แต่ต้องดุดให้หมดนะแล้วเลิกเลยรับรองไม่ต้องไปโรงพยาบาลใครที่สูบบุหรี่สามีบุหรี่กลับไปแล้วพูดเลยนะครับระหว่างชั้นกับบุหรี่จะเลือกอะไ ร, รใช่เขาพูดประมาณนี้แหละเราก็ตอบว่าก็ไม่มีอะไรถามเฉยๆถามเล่นๆแต่ต่อไปนี้ถ้าจะสูบนะไปข้างนอก แล้วขุมพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในนั้นสามชั่วโมงมันค่อยกลับมานะครับพฤติกรรมก็แปลว่าอยากทําอย่างหนึ่งแต่ดันไปทําอีกอย่างหนึ่งสามตัวนี้คือปัญหาความคิดปัญหาความรู้สึกและพฤติกรรมขอให้เป็นคิดบวกไว้นะครับเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมครับพอสิทธิไว้และความรู้สึกดีมีความสุขนะครับสนุกกับประเทศชาติของเราตอนนี้ออกาเปียรท่านครับวันที่สิบวันที่สิบวันอาทิตย์ถ้าเกิดท่านว่างครับกาเปียรท่านผ อ, อแล้วก็ทุกท่านนะครับถ้าว่างนะ ขอเชิญไปที่อสมทอตอนบ่ายมีท็อกโชวใหญ่นะครับชื่อหัวข้อเป็นคนตั้งเองนี่ทอกโชมหากุศลท่วมทนเนปาล น, นะครับฟังฟรีอะไรฟรีลงโทรไปที่อสมทไม่รู้เต็มหรือยังเรีบเรีบนะครับก็จะมะีมีอาจารย์สุขุมนวนสกุลดรเตรเสรีวงมนฑานะครับแล้วก็จะมีท็อกโชก็มีอาจารย์สเสน่ห์ศรีสุสวรรณและมีอาจารย์วัชรพงศุประดิษฐ์แล้วก็มีแซวาทีมีคุณแม่ผานิษฐ์ อาตมะระเป็นหัวหน้าทีมและมีอาจารย์สตะกรมีท่านอาจารย์ดรสุรวงศ์วัฒนกุลฝั่งนี้มีอาจารย์พยาวอาจารย์พิสนุสกุลโรวิลาดอาจารย์พนมปีเจริญมีหม่อมชันดำเนินรายการเนี่ยทาวางประชดนะครับสุดว่าไปใช่ไหมครับพูดเยอะสักขนาดนี้แล้วไปไหมครับถ้าว่างเรียนเชิญที่อสมทเลยนะครับชั้น6นะครับโอเคนี่หัวใจต้องเสริมใยเหล็กมีความสุขวันนี้มีความสุขไหมครับผมดูแล้วชื่นใจทำได้ไหไปบ้างไหมครับไม่เลยเหรออรับ ได้คาอะไรไปบ้างได้สติมหมทวนสติแปลว่าอะรอสติแปลว่าระลึกได้ระลึกได้ากาลังบรรยาอยู่นี่ระลึกได้ส่วนสัพชัญญะแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมรู้ด้วยว่าจับไมโครโฟนรู้ด้วยว่าเสียงกําลังลงไปรู้ตัวทั่วพร้อมเวทนาทั้งปวงใช่ไหมครับอ่าและมีอุเบกขาอุเบกขานี่คือทุกคนนะอุเบกขาแปลว่าใจกลางๆางไม่เป็นตัณหา ไม่เป็นปฏิฆะไม่บวกไม่ลบตรงกลางสุดยอดโอเคแล้วทุกอย่างก็คือเข้าใจมันเป็นเช่นนั้นเองมีความสุขเข้าใจเรื่องจริตหกโอเคตายพระเจ้าช่วยสี่โมงแล้วหมดเวลาของหม่อมฉันไปตั้งนานแล้วต่อนิดนึงนะครับสามบันไดได้สี่ไหนไหนมาแล้วเนาะอีกนิดนึงได้ไหมครับไม่เกินทุ่มครึ่งนะคะเครับนะครับ สบันไดครับบันไดก็คือ1สักแต่ว่าขอประทานโทษในการทํางานที่ใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นแค่นี้เนี่ยนะครับได้สองแต้มเองสักแต่ว่าโทษนะครับสักแต่ว่าสักแต่ว่าธรรมนึกออกไหมแต่สูงกว่านั้นเราเรียกว่าตามหน้าที่หน้าที่คือธรรมะแต่สูงกว่านั้นผมชอบคํานี้คือคําว่าไหนไหนก็ไหนไหนแปลว่าอะไรครับท่านไหนไหนจะทําอะไรทําให้เต็มที่ไหนไหนจะมานั่งฟังนั่งฟังจนจบไหนไหนมานั่งฟังแล้วต้องได้อะไรกลับไปติดปลายนวลไปโอเคไหม แล้วสี่ข้อที่ท่านจะได้ก็คือ1เงินทำงานต้องได้เงินแน่นอนจริงไหมต่ำสุดเลยนะแต่สูงกว่าเงินคืออะไรครับทองตอบได้ดีตอบได้ดีสมก็เป็นคุณครู <laughs> สูงกว่าเงินคืออะไรครับมิตรภาพอาจารย์อาจารย์จะอยากมาทำงานนะต่อเมื่ออาจารย์มีมิตรภาพกับใครๆจริงไหมบางบริษัทแย่มากมีห้าคนแบ่งออกเป็นหกก๊ก กัดกันหมดแม้กระทั่งตัวเองส่องกระจกตกใจนึกว่าศัตรูนั่นก็เลวนี่ก็ช่วยนี่ก็ไม่ดีอันี่ก็งกซอกเค็มแต่ดีแต่อันี่ดีแต่เค็มว่าคนอื่นหมดยกเว้นตัวเองบอกแล้วไงต่อไปนี้ห้ามตัดสินใครห้ามตัดสินใครจริงไหมครับเพราะเขาพิเจารณาว่าดีแล้วเขาถึงทําจะทุกจะผิดแต่นั่นคือเขาเขาคือเขาเราคือเราอย่ามัวแต่ไปเพ่งกรรมของใครแต่จงใส่ใจในกรรมของตนเองนะครับ สความสุขได้ความสุขไหมครับผมอิจฉาอาจารย์จริงๆนะไม่ได้แกล้งพูดนะขับรถเข้ามารอปรพอขออนุญาตฝากชมด้วยมารายาทดีมากสวัสดีดยกมือไหว้ทักทายน่ารักมากเชิญทางนู้นเลยนะครับอืจะไปไหนก็ไป <laughs> ปป่าที่พูดเองพูดเองพูดเล่นอย่าอเชิญเข้าไปนะครับทางนู้นนะคุก็มีคนบอกทางมาตลอดน่ารักมากน่ารักมากแล้วพอมาถึงปับ๊บตายชื่นใจชื่นใจหายกังวลเลยนะตอนกูจะมาไม่ทันไงครับ เห็นน้ำเห <_ d ue> ็นต้นไม้เห็นอะไรอาจารย์รู้ไหมสีที่พึงใจสีที่จันลงใจมากที่สุดคือสีเขียวนะ mm. คือสีของธรรมชาติ <_ d ue> เอางี้ดีกว่าสีส้มของแสงแดดนึกออกไหมครับสีเขียวของต้นไม้จะทําให้เราเลติน่าในตาหรือทุกอย่างแนละ้วแตมันจะผ่อนคลายไปหมดเลยใครที่เลือกรูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้แล้วครูที่สอนโรงเรียนนี้เนี่ยนะ <_ d ue> เป็นบุญของอาจารย์อันนี้คือเฮเว่นนะคือสวรรค์นะหิวก็ไปตัดกล้วยมากิน เอ๊อย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ขนาดนั้นใช่ไหมออแกนิกอีกต่างหากออแกนิกต่างหากผอนร้อนอาจารย์ก็โดดลงไปในน้ำแฮปปี้ถ้าเป็นผมเนะี่ยผมจะขอบแบบภายลงภายเรือมันมีความสุขมันมีความสุขจริงๆอาจารย์มีบ้านเรือนใหญ่โตมโหรมาโหร า, านมหาศาลแล้วอยู่ในเมืองกรุงแต่มลภาวะเนี่ยแย่ที่สุดเคยได้ยินไหมครับว่าวอากาศแบบนี้แย่ที่สุด เคยมีนักวิทยาศาสตร์มาวิจัยอากาศในเมืองไทยแล้วกลับเลยนะจริงๆจะอยู่เที่ยวก่อนนะกลับเลยวันนั้นเลยนะและส่งอีเมลมาบอกว่าอากาศอย่างนี้ไม่น่าเชื่อเลยวิว่ายังมีสิ่งมีชีวิตเหลืออยู่ที่อยู่นี่แบกทีเรียทารกันนะไวรัสทั้งนั้นเลยนะสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นความสุขนะครับหาได้ความสุขหาได้ง่ายๆดูเลยครับเดินไปปับ๊บอันนี้ตน้นสมๆนีิหางนกยุงป่ะครับหางนกยูงออกดอกอีกแล้วเนี่ยความสุขอ้าวตายกล้วยออกผลอีกแล้วมีความสุข โอ้โหน้ําใสสะอาดสบายตาจริงนี่คือความสุขไปกราบพระไปปใยกวาดตรงนั้นหน่อยมีใบโบงใบมัดนี่คือความสุขนี่ผมยังไม่ได้มาเที่ยวมามาชมรอบใช่ไหมครับมาแค่นี้หอประช o n ประชุมทุกอย่างแอร์เยน็นสบายเล็กเล็กน้อยๆมีความสุขคนที่วิตกจริตเล็กน้อยยังเก็บมาเป็นความทุกข์ได้ในขณะเดียวกันซัต์มันกลับไปว่าเล็กเล็กน้อยๆฉันก็มีความสุขได้เช่นกันมาวันนี้ตอนบ่ายดีจะตายมานั่งฟังงานการก็ไม่ต้องทํา ถือเป็นมงคลขอประธานโทษจริงไหมคะเป็นมงคลบางคนตอนแรกมาฟังอะไรให้จะเดินตั้งไกลมานั่งฟังกระผีสางดางไม้อะไรใช่ไหมพอมาฟังทุกท่านก็มีความสุขผมจะบอกให้ผมไม่ได้เก่งเลยทุกท่านส่งพลังให้ผมนะตั้งใจฟังผมดูแววตาเนี่ยทราบดีดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจดวงตาคิดอย่างไรดวงใจก็คิดเช่นนั้นคุณผู้หญิงทราบใช่ไหมเวลาปีนผู้ชายมาจีบดูได้ไหมจากดวงตาของเขาหรือเบลอ ท้องและยังงงเอ๊หรือว่าผีผักหรือ ไ, รไม่ใช่นะวยตายขอโทษขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่นะคนนู้นคนนู้นอันนั้นอาจารย์โอเคขอโทษขอขอภยัยขออภยัยและสุดท้ายคือได้บุญอาจารย์อาชีพอะไรจะได้บุญเท่าครูอาชีพไม่ใช่อาชีพสถานะในโลกมนุษย์ใบนี้นะครับอันนี้เป็นมุกของคุณแม่ผานิดะยืมหน่อยเนี่นะก็คือว่าสถานะบนโลกมนุษย์ใบนี้ที่คนกราบไหว้ด้วยความเสนจใจมีสองสถานะเท่านั้นคือพระและครู ถ้าใครได้เป็นพระครูสองเด่งสุดยอดเลยใช่ไหมได้บุญได้กุศล น, นะครับอันนี้เอามาจากเฟซบุ๊กใครเล่นเฟ e บุ o k ยกมือเล่นลายเล่นอะไรใช่ไหมครับเล่นต้องเล่นให้เป็นบางคนแบบถามจริงๆมีลำคาญไหมคะตื่นเช้ามาแฮปปี้ทุรศ์เดย์แฮปปี้รเดย์ส่งดอกมาเวียนหัวเยอะมาก เพราะเขาส่งกันเป็นกลุ่มๆเนี้ยแต่นึกในใจถ้าเขาไม่รักเราเขาจะเมมเราไว้เหรอ <C oughs> ถูกไหมครับส่งกลับไปบ้างใช่ไหมครับ <C oughs> เขาส่งดอกกุหลาบมาเขาส่งดอกอะไรดอกไม้จันง่าย <C oughs> ส่งนู่นส่งนี่ไปแล้วเล่น Facebook ต้องคอมเมนต์บ้างบางคนพอเห็นฟีดข่าวใช่ไหมครับไม่สนกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดไลค์กดไลค์กดไลค์กดไลค์กดไลค์อ่เมนเอดีจังดีจังดีจังดีจังดีจังไม่ได้ดูแลดีจังแม่เขาตาย แม่เขาใจาดีจังกดไลน์ว่าแย่ดีจังใช่นะความทุกข์ที่เกิดจากความคิดมีพิษมากกว่าสิ่งอื่นเห็นไหมครับท่านน้อยใจน้อยใจหาอะไรไม่ต้องน้อยใจแล้วบางคนชอบมองฟ้าที่บอกทําไมไม่รวยสทัทีทําไมต้องเป็นชั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญเปลี่ยนคําเดียวเอาคําว่าทําไมออกไปเอาคําว่าอย่างไรเช่นสมมติขอประธานโทษแรงนิดนึงอาจารย์ทําไมแม่สามีของหนูแย่มากๆทําไมเขาเป็นคนอย่างนี้ นะเปลี่ยนไป็นอะไรดีครับเปลี่ยนจากทำไมเป็น อ, อ่ะทำอย่างไรให้แม่สามี <S 2> <S 2> <S ทำอย่างไรให้แม่สามีตายเร็วเร็วเงี้ยเหรอฮะไม่ใช่ก็ทำอย่างไรให้คุณแม่สามีรักและเข้าใจเรามากขึ้นเปลี่ยนทำไมออกเพราะมันไม่ได้คำตอบแต่ถ้าใส่อย่างไรปับ๊บมันมีคำตอบรอถูกไหมครับท่าน มันจะโอเคกว่าแล้วกลับไปบ้านบอกแม่คะ่ะหนูเข้าใจแล้วคะ่ะทำไมไปเรียนอะไรามาหนูเข้าใจคะ่ะคุณแม่ไม่ได้เสียลูกชายไปแต่คุณแม่ได้ลูกสาวอีกคนมาเพิ่มต่อไปนี้ถ้าเราดีต่อกันคุณแม่จะไม่ต้องทานแกงจืดที่หนูถุยน้ำลายลงไปอีกแล้วอันนี้ไม่ต้องพูดนะคะ น, นี่ไม่ต้องพูดแล้วก็แล้วไป <laughs> แล้ววก็แล้วไปนี <laughs> ป่พูดเล่นนะคะพูดเล่น จะไม่ย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ไขแต่ใช้เวลาที่เดินต่อไปเพื่อปรับปรุงดีไหมครับเราย้อนเวลาไม่ได้อดีตคือความปวดอนาคตคือความฟันปัจจุบันคือความจริงนะครับผมชอบอันนี้อดทนให้ได้อย่างก้อนหินติดดินให้ได้อย่างต้นหญ้าใจกว้างให้ได้อย่างท้องฟ้ามุ่งไปข้างหน้าให้ได้อย่างสายทานอ่ะทาได้ไหมครับอดทนให้ได้อย่างก้อนหินไม่ได้แปลว่าไม่รู้ร้อนูหนาวไม่ใช่ <laughs> นะครับ ติดดินให้ได้อย่างตนา้นหญ้าขอโทษตน้นหญ้าบางตน้นมีความหมายและมีคุณค่ามากกว่าคนบางคนเพราะอย่างน้อยก็คายออกซิเจนให้กับโรคนี้แต่คนบางคนเกิดมารคโลกเชื่อไหมสมัยก่อนเนี่ยปากจัดเชื่อไหมเราก็บอกเชืนะ่อนะตั้งแต่สมัยนั้นแล้วตอนสมัยนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงท่านเชื่อไหมพอออกจากสถานปฏิบัติธรรมนะผมกลัวไปเลยผมกลัวไปเลยไอคนที่ผมเกลียดผมอะไรนะครับถามว่านั่นไหมกลับกลายเป็นว่าการปฏิบททัติธรรมทําให้เราสงสาร ไม่ด่าอีกต่อไปก็เดี๋ยวพูดมไม่ดได้จะไปจะจะไปจะเกินไปอาจจะแต่ก่อนทั้งสอเสียดทั้งดา่าทั้งจิกกัดแล้วเป็นคนที่คิดคำได้พิสดารอยู่แล้ว <c oughs> แต่ไม่เดี๋ยวนี้ไม่สงสารว่าใครทํากรรมอย่างไรต้องได้รับผล ร, ร้ายบิดาอย่างรุนแรงถูกไหมครับไม่ว่าเลยไม่ว่าด้วยไม่โกรธด้วยจริงๆนะต่อไปนี้ทุกท่านก็พยาเหมือนกันนะครับท่านอาจจะดีกว่าผมด้วยซ้ําไปเพราะผมมีโทรศั์เป็นเจ้าเรือนแต่ของท่านปล่อย ไม่ตัดสินใครใครเขาจะทํากรรมอะไรยิ่งเลวขนาดไหนยิ่งต้องให้เวทนาเพราะเขาต้องได้รับวิบากอันนั้นใช่หรือไม่การที่เขายังไม่ได้นั่นแปลว่าหนึ่งยังไม่ถึงเวลากับสองทำบาปขึ้นหนึ่งยังไม่ถึงเวลาดอกไม้จะบานต้องนานเป็นจังหวะจะไปแหกกรีบก่อนไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ดอกไม้ก็หุบอยูฮ่ฮัลโหลเมื่อไหร่บนบานฮัโหล ไม่ถึงเวลามันบานเองแล้วเวลามันบานปั๊บนะที่เรารอคอยกรรมของใครเนี่ยผมเลนิสัยไม่ดีทําไมคนนี้ถึงไม่ได้รับกรรมถามคุณแม่อยู่ตลอดเวลาคุณแม่บอกดูหนังให้จบเรื่องลูกดูหนังก็ต้องดูให้จบเลยจะเอากลางเรื่องก็จะจัดการแล้วไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจหนังเรื่องของใครสนใจแต่ภาพยนตร์ของเราที่เราสร้างจะดีกว่าจริงไหมนะครับอันนี้ช่วยช่วยกัดไม่ใช่ว่าดีกว่าท่านนะเพียงแต่พอออกจากสถานปฏิบัติธรรมนะไม่ตัดสินใครมากนะัก นะครับแล้วเบาลงไม่โกรธไม่อะไรเพราะสมมุติว่าเขาทําแต้มไว้เลวมากหนึ่งล้านแต้มผมไปด่าไปว่าเขาล้านแต้มของเขาไม่ได้ลดไม่ได้เพิ่มแต่ผมจะเพิ่มแต้มลบใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นไม่ว่าไม่อะไรใครยิ้มใครเขาด่าว่าว้าวโอเคไหมคะบันนี้กลับไปแม่สามีผู้ชายพอดีว้าวๆ้าโอเคไหมแล้วก็ถามแม่ทานแกงจืดไหมคะอย่างงี้เลยอย่างงี้เลย อันนี้เพื่อนคิดได้มุกใหม่มุกใหม่นะครับมุ่งไปข้างหน้าให้ได้อย่างใสทันใจกว้างให้ได้อย่างท้องฟ้าจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับนะครับช่วยไปเธอครับเนปาลอย่าลืมนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยคนเขาช่วยเยอะแล้วตอนนี้เนี่ยเขากลับกันมาไม่เกี่ยวครับเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอที่เนปาลเป็นเมืองพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับสถานที่ประสูตมก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมครับสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์เขาไม่เหลืออะไรเลยเนาะ แล้วย้อนกลับไปเขาจะต้องล้าหลังไปอีกห้าิถึงหกสปีประมาณนั้นสงสารเขาใครจะไปรู้ว่าเขาจะอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยเอเวอเรสเจออีกจำมรุธธกิจศพขีดศพน้องอีฟใช่ไหมครับที่ว่าเป็นแพทย์ไทยหมอไทยใช่ไหมครับก็น่าสงสารทุกคนจะมีวิบากจะต้องที่นั้นที่นั้นเหตุให้ปัจจัยพร้อมต้องณนะที่นั้นที่นั้นมีคนบอกเวลาไปทอดกระถินทอดพระป่าทําไมรถกรถินชอบคว่ำ นะรถผัป่าชอบครับนี่ขนาดไปทําบุญนะจะบอกให้จะบุญหรือไม่บุญก็แล้วแต่นะถึงวันนั้นเหตุให้ปัจจัยพร้อมก็ต้องตายเหมือนกันถ้าสี่สิบห้าคนในที่นั้นในชาติพบหนึ่งเคยทํากรรมที่ไม่ดีร่วมกันแล้วเหตุให้ปัจจัยพร้อมมาอยู่ก็ต้องไปพร้อมๆกันเหมือนกันแต่ถ้าเกิดขาดคนใดคนหนึ่งอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมอ่าโดยเฉพาะคนนั้นที่หายไปเป็นคนขับรถถึงไมครับ รคนั้นก็ยังออกไม่ได้ก็รอดไปเลยก็ว่ากันไปอันนี้ไม่ใช่โกนประสาทนะเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นเอาต่ออีกหน่อยหนึ่งถึงเขาจะตายแต่จิตเขากําลังบางคนมุ่งนะ จ, ะจะไปสร้างพระพุทธรูปเนาะจะไปถือศีลแปดเนาะจะไปถือศีลเนเขมะเนาะจะไปปฏิบัติธรรมจิตเขาดีใช่ไหมครับแต่ร่างกายเละหัวขาดแขนขาดไม่สนเพราะนั่นก็คือซากแค่ร่างแต่จิตปั๊บบุตรสบกสวรรค์รับไปเลยเรียบร้อย จิตดวงสุดท้ายเขาเป็นแบบนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับล่างเพราะบางคนนอนโกรธนอนอะไรอย่างดีแต่อยู่ข้างใต้ก็เยอะไปใช่หรือไม่ตอบไม่ได้จิตดวงนี้โอเคน่าสงสารสุภาพสตรีสามคนไปลดน้ําดําหัวคุณพ่อที่จังหวัดชนบุรีอ่าที่ที่จังที่จังหวัดหนึ่งแล้วมาที่ชนบุรีแล้วลดข้ามเกาะใส่ชุดสีขาวปฏิบัติธรรมแล้วตัวเองกับเพื่อนตายหมดสมคนกําลังจะไปปฏิบัติธรรมถ้าคนไม่เข้าใจนี่ไงเห็นไหมจะไปทําบุญยังเป็นอย่างนี้ บอกขอโทษไปหรือไม่ไปเขาเป็นก็เป็นอย่างนี้แต่พบนี้ชาตินี้3ท่านนี้อาจไปเป็นเทพธิดาแสนสวยบนสวงสวรรค์ก็ได้ใช่ไหมเพราะจิตเขากําลังระลึกถึงในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลใช่ไหมครับแต่เพราะวิบากกรรมของเขามาเป็นนะครับอุปาคาตากกรรมคือตัดรอนณนะวันนั้นเลยก็เป็นเช่นนี้นะครับอเอาไว้มีโอกาสอีกสักประมาณ45ปีถ้ามีโอกาสจะมบรรยายเรื่องกรรมอีกทีดีไปครับ คนอื่นดูถูกเราไม่เคยเสียอะไรจะจะเสียตลอดไปถ้าเราดูถูกตัวเองเวลาเทียบไม่ต้องเทียบความรวยไม่ต้องเทียบความสวยไม่ต้องเทียบชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองเทียบเอาคุณงามความดีเทียบจริงไหมคะแต่ถึงแม้อาความความดีเทียบก็ไม่ไปบอกว่าฉันดีกว่าเธอมีครับตอนนี้เล่นในเฟ e บุ o k มีกลุ่มหนึ่งเขาทานมังสวิรัต เขาทานทั้งสา ม, มีพัญญาแต่ปรากฏว่าไปเม้นกันแล้วก็ว่าคนอื่นที่ไม่ได้ทานว่าเจ็บเจ็บแสบแสบว่าเนี่ยจะต้องตกนระกบกไหมอย่างนี้เราอยากจะบอกเขาเรียกเข้ามาคุยจริงๆว่าเธอเนี่ยมันติดดีและดีไม่จริงสู่คนที่เขาทานเนื้อสัตว์หรือเขาทําอะไรเขาก็ทานไปปกติแต่เขาเป็นคนดีมีศีลธรรมและไม่ไปว่าใครจะดีกว่าของเธอถ้าดีต้องดีให้พร้อมทําไปทํามาเธออาจจะติดลบมากกว่าก็ได้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเธอก็ไปบอกเขาสิทานเนื้อสัตว์มันไม่ดีนะตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้ลดลงไปเนอไม่ว่าใครเธอเป็นคนดีอยู่แล้วเนอะแต่สุขภาพร่างกายก็เป็นสิ่งสําคัญบอกแบบนี้จะสวยงามกว่าดีกว่าไปตัดสินใครและไปว่าใครอย่าเอาปกติของเขามาเป็นปกติของเราและอย่าเอาปกติของเราไปเป็นปกติของใครใช่ไหมคะอะประมาณนี้นะครับนะครับชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้เพลงอะไรครับคนนี้ไม่รู้จักแต่คิดว่ามีความสุขจริงคือป้ากมลาสุโกศล คนนี้ไฮโซจริงรวยจริงแต่ไม่ได้อวดรวยแต่อวดอะไรครับความสุขนะลูกก็คือคุณซุกี้ใช่ไหมครับแล้วก็คุณอะไรนะน อ, อะคุณน้อยวงพลูใช่ไหมครับน่ารักแต่ผมชื่นชมคนนี้คือเป็นอัจฉริยภาพทางดนตรีผมไม่รู้เขาปฏิบัติธรรมหรือเปล่าแต่คําพูดที่พูดไปปั๊บเนี่ยหัวมันกินใจและมันโดนทุกคําท่านดูนะครับอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันเอาแค่นี้ก็สุดยอดแล้วจริงไหม อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันแปลว่าอะไรเกิดขึ้นเข้าใจตามความเป็นจริงตามความคิดสติเราให้ทันและทันไหมคะ <c oughs> ใช่ไหมอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันเขากำลังบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมครับไม่ต้องว่าโออยากนูน่นอยากนี่อย่าเลยใช่หมครับและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด <c oughs> ผมชอบจังเลยและเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ไพเราะมากๆจริงไหแล้วเกิดกาลังใจเพลงแบบนี้สมควรฟัง แต่เพลงบางเพลงของวัยรุ่นไม่ได้ว่าคนแต่งและคนร้องแต่ไม่ได้ให้อะไรเลยอย่าเลยอย่าบอกให้ฉันเลือกเลยเพราะฉันไม่เคยรู้เลยว่าจะเลือกใครขาดเธอก็เงาขาดเขาก็คงเสียใจไม่อยากจะเลือกใครอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนซะเลเลวแย่มากเพลงแบบนี้ไม่ดีบอกตรงๆนะไม่ได้ว่านะมันมีผลนะวัยรุ่นก็จะคิดว่าอ้าวขนาดเพลงยังแต่งออกมาแบบนี้ ใช่ไหมหรือบางคน อ, อกหักไปฟังเพลงแทงทะลุถึงหัวใจแล้วก็ไปตายแล้วกี่คนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างการสื่อสารทัางภาษาทั้งเพลงทั้งนั้นมีผลต่อลูกๆของท่านทั้งนั้นนะครับทั้งรูกศิษย์แล้วก็รูปของคุณพ่อคุณแม่ต้องให้เขาเรียนรู้และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีความสุขกัดสิ่งนั้นและโดยเฉพาะการสั่งสมภูมิต้านทานให้กับเขาว่าเขาออกไปจากนะโรคภายนอกจากรุ่งอรุณเขาจะต้องเจออะไรบ้างนะครับนี่นะ ส, สิ่งในโรคที่เงินซื้อไม่ได้ความรักเวลาชีวิตและมิตรแท้จริงไหมครับถ้ามีครบสี่ข้อนี้ในรุ่งอรุณหรือไม่ท่านมีชีวิตที่รุ่งอรุณถูกไหมครับท่านมีเวลาให้กับรุ่งอรุณใช่หรือไม่ท่านมีความรักให้กับรุ่งรุ่นแล้วท่านมีมิตรแท้ไหมบางคนบอกทําไหมล่ะค่ะหลายฉบับนะฮะมิตรแท้ประกันภัยไม่ครับมิตรแท้แปลว่ากัญยาณมิตรกัญญาณธรรมเรามีข้อไม่ดีเขาบอกเราได้ แล้วถ้าเกิดเราทำอะไรที่สำเร็จปั๊บแล้วเขาจะชื่นชมเรานี่กริยานามิิ์ไม่มีครอบครัวไม่มีแฟนไม่มีอะไรแต่มีกริยานามฤทธิ์กระยาารสุดยอดกว่าเห็นไหมครับบางคนตัดสินใจนะครับไม่มีครอบครัวนอนผีอำ่ำให้ลมโกกตลอดเวลาไม่มีใครใชก็มีความสุขได้นะครับ <laughs> ใครจะทำตามก็ได้นะคะอย่างน้อยจะได้ไม่ต้องไปทำน้ำแกง <laughs> แทงชืดแทงือันนี้อย่าไปทำนะผู้เล่นนะชีวิตมีขึ้นมีลงเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อสั้นๆได้ใจความอันนี้หมายถึงเรื่องอะไรครับหมายถึงลิฟต์จริงไหมคมรัเวลาไม่ลงไปแล้ไม่มีอะไรมากอย่าหลงเด็ดขาดอย่าหลงเด็ดขาดอย่าท้อเด็ดขาดเวลาผมไปบรรยายเนี่ยนะพวกขายตรงจะฟังผมเยอะ เอมเวย์เอวันคังเซงถังลงเทเลอร์มาเวลกิฟฟินสปีเดอร์มายโยเรนโบว์ว่านชักลูกตามหมอเสง <c oughs> คนพวกนี้เงินเดือนไม่มีต้องทำงานหนักนะสังหารอาจารย์เอาแรงแรงบัรยาแรงๆแรงแรงบอกนี่ยังแรงไม่พอเลย <c oughs> เอาแท่ไหมแท่มาฟาดด้วยไหมพวกนี้เขาบอกว่าต้องการอะไรครับเพราะว่าชีวิตเขาท้อเวลาไปขายของคนไม่ซื้อไงติง๊งตองมีสินมาแล้วค่ะคนในบ้านก็ตะโกนมาว่าไม่มีใครอยู่แล้ <c oughs> น, นั้นใครคะเจ้าที่น่าสงสารเขา ก็ได้มาไม่ซีนเหนื่อยค่ะต้องเช่าบ้านอยู่ต้องหัรถเม์เดี๋ยวนี้สบายแล้วค่ะนอนใต้ทางด่วนเห็นไหมครับว่าไปนะโออาจารย์เดี๋ยวจะไปยาวเอาแค่นี้ก่อนดีไหมนะคะี่โมยอาจารย์มีคำถามอะไรผมรับใช้ไหมครับกล้าท์ได้เลยอาจารย์วันนี้อาจารย์ได้ความสุขไหมครับปรารถนาวัตถุประสงค์นะครับให้ท่านอาจารย์มีความสุข แล้วให้กับเขาเรียกอะไรนะครับทราบซึ้งกับคำว่ารุ่งอรุณ start again อย่าลืมนะอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นทำแล้วเสียใจไปไม่ต้องเสียใจเริ่มต้นใหม่ start again ผมมีรายกลุ่มผมมีรายกลุ่มเนี่ยนะครับก็จะเตือนกันตลอดเลยนะครับ start again พีการพิจารณาเรื่องเวทนาตั้งแต่ตั้งแต่สีสะไปถึงปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาสู่สีสะนะ head to feet feet to head แล้วก็เริ่ม start again ตอนที่ไปฝึก120ชั่วโมงเชวนะตอนนั้นนะ่ะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ผมกลับมาปับ๊บผมยังนั่งอะไรไม่ได้เท่าไหร่แต่อย่างน้อยผมได้แนวคิดและรู้และ ว, วิธีจะลอกกิเลสคืออะไรยังไงศาสนาพุทธเนี่ยสุดยอดขอประทานโทษนะครับทุกาศาสนาดีหมดนะแต่าศาสนาพุทธที่ที่เราศึกษากันอยู่เนี่ยที่ทางเป็นพุทธะจิตแห่งพุทธทะที่รุ่งอรุณสอนเนี่ยท่านมาถูกทางแล้วให้เด็กรู้ให้น้องๆเข้าใจ ให้มีความสุขแล้วเสพกับความเป็นจริงได้รับความเมตตาอารีจากพระคุณที่สามอาจารย์อย่าย้ายไปไหนให้รักกันเป็นทีมเวิร์นะครับไม่ใช่อะไรก็ละออกละออกละออกละออกแต่ออกแล้วไม่มีที่ไปรูออปอ้อยู่ก่อนอยู่แป๊บดึงก่อนเงี้ยไม่อยู่ก่อนอะนนะ อยู่อยู่แล้วต้องอยู่อย่างมีความสุขจริงไหมครับอืนะมีคําถามไหมครับเชิญครับคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ได้เชิญเลยครับสองชั่วโมงกว่าเชียวนะโอ้โหน่ารักจริงๆริว้ยคุณแม่ยกมือถามครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันครับคุณครูครับคุณคุยินดีครับเดจะว่ากันครับ เดี๋ยวยินดีดูคิวก่อนนะครับแล้วขออนุญาตครับเดี๋ยวอ๋อสิบสามเดือนนี้แหละครับคุณครูครับวันพุธขอประทานโทษครับวันพุธติดบรรยายแซนตัสทั้งวันนะครับที่นอนเซนตัสครับผมบรรยายไม่กที่ที่นอนจริงเวลาไปบรรยายที่ไหนเขาก็เนี่ยครับบรรยายหมดเลยที่นอนหมอนมุ้งบรรยายหมดเลยอไปที่ไหนที่ไหนนะครับก็จะให้ของของชําลวยไปบรรยายที่นอนก็ให้หมอนบรรยายบริษัทแก้วให้แก้วใช่ไหมครับ ยังไม่บรรยายบริษัททำระเบิดเชิญครับคำถามเชิญเลยครับไม่ต้องเกรงใจครับมีอะไรตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับซื้อโลงแถมศพนะฮะจะดีมากเลยคุณครูผมถามนิดนึงกลับเรียนถามคุณครูก่อนนะครับได้กำลังใจไหมจริงนะครับขกลับเรียนถามต่อได้ยังไงครับคุณครูต่อไปก่อนนะนะขออนุญาตครับ คือมันฟังแล้วมันมีความสุขขึ้นนะครับผมขอบพระคุณครับแล้วผมปรารถนาให้คุณครูเนี่ยพอพอฟังแล้วมีความสุขใช่ไหมครับได้คิดว่าอืจริงต้องต้องที่พอพูดนี้ไม่ได้พูดเท็จเลยถูกไหมครับเป็นอาชีพที่ทรงคุณค่าวัดไม่ได้เก็บกับเรื่องของเงินทองไม่ใช่แต่เป็นคุณค่าที่เราให้กับลุกสิทธิ์ของเราให้กับปัญญาชนต้นกล้าปัญญาชนสําคัญนะอาจารย์คุณครูคุณครูคครอาบาอาจารย์ทุกท่านทราบไหม ถ้าต่อไปอานาคตประเทศนี้ไม่ดีคนที่ต้องรับผิดชอบคือคุณครูนะครับเขาจะกลับมาด่า น, นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปทําอะไรที่ดีประเสริฐเกิดไปเป็นนักการเมืองไปเป็นรัฐมนตรีไปเกิดเป็นใหญ่เป็นโตรหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่แล้วปรากฏว่าเขาเป็นคนดีของสังคมในทุกพระศาสนาเนี่ยนะคุณครูได้ชื่อตอนโทษนะครับตอนละสังขารไปเนาะเขาถามทําอะไรม า, ท, าทําอาชีพอะไรเป็นคุณครูอืม จริงๆจริงๆอได้สอนบ้างไห ม, ม <laughs> ท่านอาจจะถามบ้างอาจจะถามบ้างอาจารย์อาจจะต้องเตรียมแผนการสอนไปบ้างนะคะับ <laughs> ต้องมีการถามบ้างเดี๋ยวสับสนสอนเลยวันนี้งงเป็นคุณครูคุณครูเนี่ยนะครับคือพิสดารไม่ใช่เป็นครูอย่างเดียวเป็นพยาบาลด้วยถูกไหมแล้วก็เป็นคุณหมอด้วยถูกไหมครับเยียวยาหัวใจเขาคําน้อยๆฟังนะครับมีเรื่องดึงเป็นครูผู้ใหญ่ละ ลูกสิทธิโตแล้ววิ่งไปหาอาจารย์ครับผมเสียใจมากเลยผมอกหักครับครูกำลังยุ่งอยู่ทําไมมัไปตายไปพูดแบบนี้เลยครับผมแล้วก็ไปครูไม่สนใจลุ้งขึ้นเด็กคนนั้นกระโดดตึกตายจริงๆในกระเป๋ามีจดหมายน้อยอยู่สองฉบับขอโทษพ่อแม่กับอีกฉบับหนึงการเรียนคุณครูที่เคารพผมได้ทําตามแนะนําคําแนะนําแล้วนะครับครูคนนั้นแทบจะเสียเลยนะนึกออกไหมครับแทบจะเสียจริตไปเลยนะเผลิดเพินไม่ผมไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงแต่เดาว่าน่าจะเป็นผู้ชายคุณต้องบวชเลยนะจริงปะ คุณมีผลไหมเนี่ยคุณมีผลคำพูดของครูของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ล้วนแล้วแต่มีผลกับทุกคนทั้งสิน้นแต่ในทางกลับกันตัวของเราในตัวของเรานะครับเมื่อเราได้ฟังวันนี้ต้องไม่ให้คำพูดของใครมีเขาเรียกมีอำนาจในหัวใจของเรานึกออกไหมอย่าอยู่เนื่องด้วยคำพูดของคนอื่นเด็ดขาดโอ้นะทำไมมาทำงานอย่าน่าจะไปทางานบริษัทไม่น่าจะทาไม ตอบไปเลยว่าเป็นครูเสียหายตรงไหนฮะอีโง่ใครอันนี้ไม่ต้องก็ได้อันนี้ไม่ต้องอันนี้อันนี้ละไว้ละไว้นะคะมั่นใจในความเป็นครูเวลาไปบรรยายที่ไหนปับ๊บเห็นไหมครับที่เมื่อกี้นี้คุณยอดพูดเนี่ยเขจะต้องนําจากเรื่องของ อ, จงอาจารย์ก่อนแล้วถึงจะไปนู่นไปนี่ครูก่อนความเป็นครูก่อนผมดีใจมารับใช้คุณพ่อคุณแม่ที่สําคัญก็คือความเป็นครูคุณครูทุกท่านท่านต้องรัก จะพูดจะจะคิดก่อนอะไรก่อนต้องไม่ทําให้เด็กมีการเปรียบเทียบกันเข้าใจธรรมชาติจริงๆใช่ไหมครับนะเข้าใจในเรื่องของ อ, อะไรนะวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติความเป็นไปของธรรมชาติโดยมีคําว่าความเป็นจริงลูกๆต้องเข้าใจความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วดับไปตามหลักพุทธะไม่ใช่สอนให้สวดมน์อย่างเดียวแต่สอนให้เข้าใจในหลักการของพระศาสนาและเอาไปใช้ได้ และเอาไปใช้ได้อันนี้คือสุดยอดของการสอนหนังสือถูกไหมครับวันที่รับปิญญานะเวลาเราอยู่บนประมพิธีเนะลูกศิษย์รับปิญญาน้ำตาจะไหลเห็นลูกศิษย์นึกในใจจบได้อย่างไรบางคนอยากจะถามโง่ขนาดนี้ <c oughs> เธอเคยเป็นนวดแผนโบราณมาหรือเปล่าแล้วหมอจับโดนเส้นโง่เธอหรือเกล่าไหมคะแล้วขอดเลยเนี่ยแต่เธอก็สามารถที่จะเรียนได้ขนาดนี้เธอเก่งจริงๆ ชื่นชมชื่นใจนะครับนะอ้าวตรงไม่มีคําถามผมฉันจะเสด็จอีเก้งไปแล้วนะคะนี่ไหมครับทางนี้มีไหมครับเราจะมีความสุขนะคุณแม่คุณแม่คุณพ่อมีความสุขอย่าลืมวันนี้กลับไปบ้านทําอะไรทําแกงจืดนะคะไม่ใช่กลับไปทำอะไรกอดคนที่เรารักจริงไหมขออนุญาตถามนิดหนึ่งครับคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูหรือหรือคุณคุณคุณแม่เนี่ยนะครับท่านใดคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดก็มือ ห่างกันเนาะโทรทุกวันไหมโทรไหมครับดีมากครับคําถามคือคุณพ่อแม่เขาอยากให้เราโทรไหมอยากไหมครับไม่ต้องโทรมาลูกไม่ต้องโทรมาน้าไม่ต้องโทรมาผู้นี้เที่ยงแม่รอจริงๆโทรเถอะครับจริงไหมโทรไปเถอะป่าเขาบอกว่าไม่ต้องโทรรอกลูกแล้วพ่อไปไหนพ่อไปบีเมียน้อยอืมจะไปดีแล้วเนาะไม่ต้องโทรมานะแม่เกรงใจแต่พอวางหูปั๊บแม่ไปไหนแม่ก็จะไปทําไมครับไปข้างบ้าน ไปทำอะไรเมาลอยเมามอ ย, มอมอยลูกฉันน่ารักเป็นครูโรงเรียนอะไรอลุงอลุนอะไรเนี่ยโรงเรียนใหญ่โตอยู่กรุงเทพโทรทั้งวันเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรนี่ได้ข่าวว่าโรงเรียนเขาจะไล่ออก <c oughs> ก็ดีนะคราวนี้ไม่ต้องโทรแล้วละ่ะมาอยู่เลยทีนี้ <c oughs> และเวลากลับไปบ้านไปเจอพ่อแม่ทำอะไรครับอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยไปทำอะไรกอดหอบไม่พอต้องนวดฝาา่าเท้า นี่นวดฝ่าเท้าผมคุณ พ, พ่อชอบให้นวดฝ่าเท้าผมนวดจนพ่อตายเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่นวดๆแล้วตายไปเลยนะครับ <c oughs> ไม่ใช่หมายถึงว่านวดไปจนใกล้ๆวาระสุดท้ายเลยเรียมท่านนะครับไปนอนหนุนตักพ่อแม่ไอ้นี่ไม่รู้จักโตไม่รู้จักนะเขาชอบแล้วขอตังค์บ้างต้องขอตังค์นี่เรื่องจริงเราจะเป็นคนให้ตังค์ทุกเดือนก็จริงแต่ต้องขอให้เขารู้สึกว่าเขาใหญ่กว่าเราเสมอจริงไหมเอานะแม่จ้าขอตังค์ไปกินไอติมหน่อยไอ้นี่ไม่รู้จักโตไปไปยี่อันั่นเนี่ยเงินแม่อร่อยจะตัง ใช่ไหมนอนถุนเตาพ่อขอตักไปกินก๋วยเตี๋ยวห น, น่อยดิไอ้นี่เอาเท่าไหร่ลูกหมื่นเจ็ดก๋วยเตี๋ยวบ้านมึงหนื่นดใส่ทองใส่เพชรเติลงประเด็นนะั้นนะไม่ต้องมาบ่อยนะวันพ่อนะสี่ปีมีหนไม่ต้องมาบ่อยคุยกันอะไรกันเล่นกันสนุกกันนะนึกออกไหมครับแล้วพอถึงวันนั้นที่วันที่ท่านไม่ได้ตายแต่ท่านไปเกิดในภพภูมิที่สูงเราก็จะได้สบายใจและไม่เสียใจยอีกโอเค นะครับอยู่กับความเป็นจริงทั้งหลายมีความสุขนี้ผมกลาบเรียนเล่าให้ท่านฟังเนี่ยไม่ใช่ตัวผู้บรรยายเนี่ยดีกว่าท่านเลยนะเปล่าเลยนะก็พยายามทำไปด้วยนึกออกไหมครับทไปอย่าใช้คำว่าพยายามเลยถ้าพยายามมันทรมานทำไปเรื่อยๆหลวงปูชาสอดว่า ในการทำวิปัสสนาในการดูลมหายใจดูไปเรื่อยๆตอนแรกมันหยดๆแล้วมันก็ทีๆแต่ทำไปทำไมทำไปทำไมาอาจจากจากห่างๆมัน ก, ก็กลายเป็นทีๆแล้วต่อไปไหลเหมือนใส่น้ำเป็นธรรมชาติเช่นนั้นเองจะดีที่สุดและสักบันหนึ่งคงจะ้เจอของดีเข่าแล้ก็ตรงนั้นก็คือจะเป็นอะไรเราก็ไม่ได้หวังเนาะห้ามหวังอีกนะครับปฏิบัติไปทานข้าวไม่ต้องถามว่าเมื่อทําใดจะอิ่มแต่ทําไปเรื่อยๆถึงเวลาอิ่มจะอิ่มเองนะครับ มีคําถามไหมเพื่อนคะใครอยกมือนะครับใครยังทานเนื้อสัตว์มากกว่าผักยกมือยกหลกยกยกๆกย ก, ย ก, ยกใครยังทานกาแฟไอ้ทีอินวันแล้วใส่ครีมเทียมยกมือใครยังขาดการออกกําลังกายเกินกว่า3ามวันใครนอนดึกเกินกว่าสี่ทุมครึ่งใครยังมีความเครียดอยู่อ่ะเดี๋ยวก็ตายละนะครับ โอเคนะคะตามนี้สุดท้ายอยากจบด้วยสุขภาพนิดนึงท่านทราบดีใช่ไหมอย่าโกรธเนาะเมื่อกี้จําคําว่าเช่นจําได้ไหมเรารู้หมดเลยว่าอะไรเป็นอะไรแต่เราไม่ค่อยทําจริงป่านอนดึกทําอะไรคะเล่นผีถ้วยแก้วอะไรอยู่คะปากดีว่าท่านนะผมมานอนตีหนึ่งตีสองตลอดมันแปลกเพราะนิสัยอย่างนั้นเป็นคุณครูมันเป็นอย่างนั้นเองไงพอจะนอนเดี๋ยวมือถือดังพอจะนอนอยากดูทีวีพอจะนอนอยาก่าหนังสือมันเป็นอย่างนี้นิสัยไง นิสยัยมันพัฒนากายเป็นสันอย่างที่ว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจจะเปลี่ยนอะไรต้องเปลี่ยนเลยได m ม n เอครีมเทียมอย่าทานนะครับมเมล็ง น, นะเข้าใจนะอย่าเด็ดขาดเลยน้ำตาลฟอกขาวห้ามเด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างต้องดีเบเกอรี่ที่เป็นพวกผงฟูมาร์กาลีนเนยเทียมครีมขาวระวังให้ดีไม่เอาเข้าใจนะครับร่างกายมีความเสื่อมไปตลอดอยู่แล้วเราอย่าไปทาให้มันเสื่อมเพิ่มมากขึ้นโอเคนะ ขออนุญประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งที่เทคโนสยามนะครับทุกวันเสาร์ไม่จำเป็นต้องไปซื้อของนะครับ C Oil s e O I L เนี่ยนะครับก็จะมีครูบาอาจารย์มาเล่าถึงเรื่องของสุขภาพและมีผมขึ้นเวทีแทบทุกเสาร์และบางเผาก็จะเชิญคุณแม่ผานิษไปบรรยายด้วยนี่เอาไหมครับถ้ามีโอกาสนะตั้แต่บ่ายบ่ายโมงนะครับท่านต้องไปลงทะเบียนด้วยนะแล้วก็ฟังไปถึง4ี่โมงซื้อก็อซื้อไม่ซื้อนั่งฟังฟรีสบายได้ความรู้ทุกเสาร์ไปเทคโนโลยีสยามตรงจรันสิบามท้ า, าวันเสาร์ไม่เรียนใช่ไหมครับ หยุดใช่ไหมครับไปเลยยกไปเลยตรงนั้นนะครับผมรู้ไงตอนแรกเราจะจัดวันศุกร์เรารู้ว่าวันศุกร์เนี่ยโรงเรียนรุงอรุณสอนเราเลยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ <c oughs> ตอนแรกสุดๆ <c oughs> <c oughs> นะครับไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับกราบเรียนท่านผ อ, อ, อครับกราบเรียนคุูครูนะครับถ้าคําพูดไรแรงๆไปขอกราบประทานโทษนะครับจริงๆอยากไปกราบแทบเท้าแต่เท้าเยอะ มันไม่ไหวขอให้คุณครูและคุณพ่อคุณแม่มีความสุขความสบายใจนะครับด้วยอานิสงส์ของการบรรยายนี้ผมได้บุญและท่านก็ได้บุญด้วยให้เอานะครับบุญกุศลนี้เนี่ยไปใช้กับชีวิตประจําวันนะครับสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอจงส่งผลนั้นให้ท่านมีสติสัพชัญญะและอุเบกขาในการทุกเมื่อสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมขอจงพันสำเร็จจงพันสําเร็จจงพันสาเร็จจงพันสําเร็จนิพพานะปัตติโยโหตุ กบสวัสดีครับบยบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ